เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้่ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้อันนี้เราก็กําลังรองคู่สนทนาที่จะเข้ามาใครเอ่ยจะเป็นคู่แรกเข้ามา เออแล้วเด้ช PK กนนะดชายพีเคกันนะเด็กชายพีเคก็ไม่ต่ออยู่ีเคก็มาได้เปล่ า, ามาแล้วพีเคอยู่ที่ไหนนั่นนี่การในมาตร ก, การค่ะอาจารย์พดีวันนี้มาทานน้องมาการอาหารที่ข้างค่ะอาจารย์ กี <UK S 2> เคยังอยู่ญี่ปุ่นค่ะอาจารย์อ่าไม่ได้อยู่ในกันเลยไม่ได้อยู่เดียกันค่ะหนู อ, อยู่ไทยกลับมาไทยคนเดียวค่ะเขายัง อ, อ, อยู่ญี่ปุ่นอันนี้อยู่ที่ที่รออกรุงเทพเนาะหนือยู่กรุงเทพค่ะพอดีน้องชายมาอือทํามาทันค่ะหรือวิ่งออกมาที่ลานจอนดรถก็หาพี่กับพระอาจารย์กลับไปไม่ทันอ่าโอเคแล้วได้คุยกั น, นทุกวันหรือเ่าคุยทุกวันค่ะเขาก็โทรมาเช้าเย็นโทรมา Out, is is เราจะแยกกันอยู่นานไหมเดี๋ยวเขากลับมาวันที่สิบค่ะพระอาจารย์สิทธิ์มังคลาเขาจะกลับมาเองคนเดียวเลยหนูซื้อตั๋วให้พี่พอเขามาส่งค่ะได้พ่อเขามาส่งด้วยเลนะค่ะอืมจะได้ว่าจะค่ะพระอาจารย์ให้เขามาส่งก็ได้หันแยกอยู่ด้วยกันด้ยจะได้มีความรู้สึกที่อค่ะ ก็เลยได้ถือโอกาสนี้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันจันทร์ค่ะพระอาจารย์หนูจะไปบวชชีพามไปถือศีลแปดที่วัดที่จังหวัดเลยค่ะพระอาจารย์วัดป่าภูแปะกี่วันเนะี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อตั๋วกลับไว้ค่ะพระอาจารย์ซื้อตั๋วไปวันที่ยีสิบเก้าก็กะไว้เลยวันที่หนึ่งวันที่สองเดี๋ยวมีตั๋วกลับวันไหนก็ค่อยซื้อกลับค่ะอืมค่ะไปเข้าวัาดดีที่สุด การนแ<ำ>นี้เป็นสิ่งที่เลวร้ที่สุดค่ะทีแรกว่าจะลองซื้อสินที่บ้านแต่โอกาสดีแล้วที่ลูกไม่อยู่ด้วยก็เลยหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้ก็เลยไปอ่าเน่นเดีรยถึงจะรู้ว่าลูกนี้เป็นภาระขนาดไหน <c oughs> ไม่ยังไม่ได้บอกเขาเลยค่ะว่าเดี๋ยวไปอยู่วัดอาจจะโทรแล้ทักไม่ได้หรื อ, อยังไง ก็ยังไม่ทราบเลคะ่ะเดี๋ยวตอนไปวันเสาร์อาทิตย์ถ้าถ้าสมมติว่าเอ่อไปหาไปกราบพระอาจารย์ได้อยากจะไปกราบก่อนคะ่ะหรือไม่ถ้าสมมุติว่าไม่ทันจริงๆก็จะกลับมาหลังจากปีใหม่ไปกราบอาจารย์ น, นะคะเอออย่าไยายามเลยไปไปฏิบัติที่ก็ไปไปเรื่องการไม่ค่อยได้อะไรแล้วไม่ได้ขอที่ได้เป็นเป็นกรอบเป็นกรรมไม่ชอบอยากกันชอบอยของที่เป็นไปกราบชอบไ ป, บบไปนู่นมานี่ ไปรับพลังพลังพลังบวกพลังดีๆจ้าอาจารย์พลังบวกก็อยู่ที่การปฏิบัตินะคะคนเห็นให้เราไม่ได้เราพลังบวกเราต้องสร้างขึ้นมาเองค่ะครับอาจารย์ก็วัดอยู่กลางป่าเลยค่ะครัอาจารย์ดีที่สุดเลยก็ขอให้ได้พบสิ่งที่ดีที่งามงามค่ะครูค่ะครับทำได้มาจากการ เมื่อวัน์ค่วันนี้มันมันก่อนคริสต์มาสนะค่ะมาจังกัจะต้กงขัแห็งแรงนะครัะจ้าสาธุอ่าเด็กช้ยเซนเยอะบ่าวันนี้พี่รายพรเข้ามาเลยไปเกดก็ได้ข้าจานน้องเลนอาบน้าอยู่ค่ะตอน้ตึงขาดมาแล้วค่อยยกมือเจ้าค่ะขาดขาดไปก่อนก็ได้เจ้าค่ะ อันนี้ไปที่จะแม่ก่อนแล้กันจะแม่กับชาติตอนนี่คุณแม่ไม่อยู่เลยครับเปล่ารับาชการพร่นครับคุณแม่ไม่อยู่ครับคุณแม่ไปโบสกับพ่อครับวังคริสมาสอครับลแล้วเราไม่ไปด้วยเลยไม่ครับเพราะว่ารู้ว่าทางไหนดับทุกได้ครับเนี่ยเอาขนาดนั้นเลยนะครับแล้วพ่อก็ไม่เสียใจเลยไม่ไปโบสถอยู่พ่อไม่คสอยซีเียครับไม่ค่อยซีเรียสครับเป็นดี ไปบวชก็ดีมาฟังสูงม็ดีนะครับอืมก็เราทําหน้าที่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับมาสองกันบ้านครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องทัดทากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรร ม, มเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พป็นอาศัยเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, า น, านั้นๆสียไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอยูทุกวันทุกวันถึง อันนี้เป็นความจริงนะความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดสินจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ถ้าเราทําเราก็จะได้ผลจากการกระทําของเรารรทําดีเราก็ได้ผลดีทําไม่ดีเราก็จะได้ผลไม่ดีอครัครโอเคแล้วก็มาศึกษาเรื่องร่างกายของเราว่ามีอะไรบ้างครับมีผมขนเล็บปอนหนังเนื้อเอ็นกระดูก แยกในกระดูกม้ามหัวใจตัดผังพืชไตปอดไซใหญ่ชซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงหน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมนเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลาย น้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหนือ่อยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลตน้ำดีให้ในสมองสีสันอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังเผืดตับหัวใจ ม, ม้ามให้ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังปันเล็บขน ผ, ผมแล้วเราอยู่ที่ไหนในร่ากายนี้ ไม่อยู่ครับไม่มีนะเราไม่มีในร่างกายนี้นลนะครับต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นร่างกายมีแค่สามสิบสองอาการนะแล้วก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเดียววันหนึ่งก็ต้องแยกตัวกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปัเราเป็นผู้รู้ผู้มาใช้ร่างกายนี้นะเวล า, อ ย, าอย่าไปหลงคิดว่าเราเปน็นร่างกายครับ ดูแลร่างกายไปเอามาทําประโยชน์เอามาทําความดีเอามาปฏิบัติธรรมนะครับ uh, ดีมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรครับอันนี้นั่งสมายที่ได้เท่าไหร่สี่สิบนาชีครับเอยากคนที่จะนั่งหรือเปล่าตัด uh, นั่งครับธรรมดาไม่ได้นั่งจะนั่งถ้ามีซูมครับเ uh, uh, <okay. S 2> อ่าบางวันก็นั่งครับวันก็นั่งนโอเค ถ้งั้นก็เอตอนนี้ก่อนนะครับโอเคครสาธุครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่าไปแล้วทิมต่อก่อนนะต้องทิม ก, รกรารนมัสการค่ะพระอาจารย์อันนี้มาครบครอบัว น, นะครับครับสิ้นปีคุณพ่อเลยกลับมาค่ะพระอาจารย์คุณพ่อทงนอานต่างประเทศเ น, น, นี่ยฝังจังหวัดครับวัจากยังไงค่ะทำวิ่งอยู่พัทยาชลบุรีนี่แหละเจ้าค่ะ อ๋อฮ่าอันนี้เซลฮ่ะพอดีช่วงสิ้นปีต้องกลับมาเช็คสต็อกที่บ้านนะคะอืมก็ดีโมเดลขายของเนี่ยเริมคนที่บ้านนะมีอะไรไหมน้องทีมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันรายงานว่าอาทิตย์นี้นั่งได้สี่สิบนาทีกว่าๆครับทำไมนอนละกันอะลืมนั่งไปหลายวันนค่ะเออนั่งไปหลายวันจิติหายนะ ครับ <c oughs> อืมแล้วนั่งได้งานที่สุดท้ายกฤฤี่นาทีสิบเอ็กว่านาทครับกี่นาทีดูสิบเอ็กวนาทีครับ <c oughs> <c oughs> ออเอเคกีนาทีนะนั่งนั่งด้วยพูทโธแล้วนั่งด้วยอะไระพุทธครับ <c oughs> พุทโธนะโอเคนั่งพยายามนั่งไปเรื่อยๆนะอย่าเลิก น, นะครับการนั่งถึงแม้ไม่ได้ผลมันก็ทําให้เราจิตใจมีความอ่ามีความแข็งแกร่ง ทำให้จิตใจเราไม่อ่อนไหวง่ายถ้าพยายามฝึงนั่งไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไมนเดือดร้อนเวลาใครเ็าพูดอะไรเ็าทำอะไรกับเราโนะอเคคุณพ่อคุณแา่มีอะไรัหมไม่มีครับอาจารย์ของฟังค่ะให้คุณพอ่อลงฟังด้วยส่วนของหนูก็ ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็จะมากรับเรียนพระอาจารย์ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ได้ไปฟังทำหน้ากุเตะค่ะก็ได้เจอกัลยาณมิตรในสูมด้วยกันนะคะน้องซันนี่ค่ะก็เพิ่งลงจากเขาแล้วหนูก็คือหนูอยากจะไปขึ้นเขามาหลายทีแล้วค่ะแต่ว่าหนูแบบเหมือนไม่มั่นใจอะค่ะแล้วเราก็เลยได้เห็นน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ดูสถานที่ได้ดูอะไรด้วยแล้วหนูก็เลยมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คงจะ ได้เลิกงามยามดีของตัวเองบ้างคะ่ะในการที่จะขึ้นไปปฏิบัติอยู่คนเดียวเงียบๆบนเขาอค่ะพระอาจารย์ก็ดีถ้าทําได้ก็ดีเอตั้งตั้งใจไว้ค่ะมีความตั้งใจแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วต้องมีศรัจธาตามมาต่อไปค่ะค่ะเพราะว่าก็ถึงได้ถึงได้พูดกับพระอาจารย์ไว้ตรงนี้เลยะคะอค่ะพระอาจารย์ว่าปีหน้าตั้งใจว่าจะขึ้นเขาแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคเป็นไงไม่ไมกําหนดวันอาจจะปัายปีเนี่ยไม่ หมจ้าก็เดี๋ยวอาจจะต้องเลยช่วงปิดฟิสคาลเยอร์ของบริษัทช่วงเดือนมีนาไปก่อนค่ะพอาจารย์ก็จะเป็นช่วงวันเมษาพฤษภาคะอาจารย์เดี๋ยวเราหาวันหยุดแะ้วขึ้นไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองสักสามวันสองคืนก่อนค่ะไม่ทดลองดูค่ะก็ก็ก็คิดว่าเดี๋ยว ต้องไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะอาจารย์ยังไงต้องต้องไปนะ้วค่ะปีหน้าเพราะว่าต้องตั้งใจไว้กับตัวเองค่ะนี่ยประโยชน์อย่างหนึ่งจาการมาฟังสูงก็เนี่ยจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่าอาจจะไม่ได้คิดไม่รู้มาก่อนว่าการไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่สงบนี้มันมีคุณประโยชน์อย่างไรคร่ะอืมโชคดีได้เจอกัลยาณมิตรในนี้ด้วยค่ะพอาจารย์ก็ได้แบบแนะนําว่าเออแบบเขาก็เชื่อ ว, ว่าเออจอยู่อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์อ ก็หนูก็อยากจะอยากไปอยู่คนเดียวเงียบๆด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าครั้งที่เราที่ไปแล้วเหมือนอยู่อยู่หอหลวงมาค่ะพระอาจารย์มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่สาหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องไปอยู่คนเดียวไปไปให้ได้ถ้าไปอยู่บนเขาได้ยังดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูค่ะคือคืออยู่คนเดียวอยู่ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องตอนความความกลัวก็เดี๋ยวซึ่งต้องไปฝึกฝึก ฝึกเอาค่ะเพราะจะต้องฝึกยาเ ก, กินก <c oughs> พูดเพูดเถแต่แต่หนูจะนึกถึงพระอาจารย์อยู่ตลอดนะคะถ้าเกิดหนูมีความกลัวขึ้นมาหนูก็จะนึกถึงพระอาจารย์ไว้นะคะก็จะสังโคสังโคก็ <c oughs> ะจะช่วยขจัดความกลัวได้ค่ะจะนี่ก็ฝึกอยู่ที่บ้านค่ะฝึกแบบนั่งสมาธิคนเดียวแบบปิดไฟมืดมืดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาฝึกพีจริงไม่หลอกพี่เราไม่จริงพีหลอาก็คือใจเราคิดไป ค่ะก็คิดว่าคงเป็นที่จิตเรานี่แหละค่ะที่จินตนาการไปเองทุกอย่างพอเราหยุดหยุดคิดได้ทําใจให้เงี่งได้มันก็ความกลัวก็หายไปค่ะเอมันจะมีดวงตาเห็นทําขึ้นมาว่าโเราหลอกตัวเราเองไม่มีใครมันหลอกเราค่ะค่ะค่ะแต่ต้องไปเจอต้องต้องไปเจอของจริงก่อนถึงจะรู้ว่ามันมันหลอกเราคือคือคือไม่ของจริงหมายถึงว่าผีจริงเหรอ ผีกวาดผีปาาาลามึงอะแต่เราคิดว่าเป็นผีจริงไงค่ะ <c oughs> แต่เราใช้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอจิตเรานื่งสงบผีผีนั่นก็หายไปค่ะผีจริงเข้าไป ม, มาหลอกเราไม่เจอหรอกผีจริงนี่เจอยากที่เจอเก้าจุเก้าจุดเก้าเอร์เ็นนี่ผีปลามั้งนะผีหลอกค่ะ ห, <c oughs> หนูหนูจะเชื่อพระอาจ <c oughs> ารย์ค่ะพระอาจารย์บอกไม่เจอหรอกก็ <c oughs> ก็ไม่เจอแน่ๆเดี๋ยวต้องผีจริงต้องผีจริงต้องมีสมาธิมียาน อยู่ปัจจาสมาธิถึงจะเจอผีจริงได้ค่ะค่ะส่วนใหญ่นี่เจอผีปอมนั่นแหละใจปูแต่งขึ้นไปคิดไปค่ะค่ะต้องหยุดความคิดให้ได้ตอนนี้เกิดความกลัวคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะค่ะหนูจะคิดถึงพระอาจารย์ไว้ค่ะก็ได้คิดถึงอะไรก็ได้ขอให้หยุดคิดให้ได้ก็แล้วกันอใจหยุดคิดได้ใจสงมแล้วก็จะรู้ความกลัวมันหายไปค่ะก็ ตั้งใจไว้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ต้องให้ศัจจาวิ่งแล้วค่ะกับพระอาจารย์นะคะหนูตั้งใจจะขึ้นไปปีหน้าอาจารย์คนตั้งเนี่ยคนตั้งโลกเลยมั้ยเนี่ยมีคนดูติดตามตั้งโลกเลยค่ะผี่คำพูดไม่ได้ค่ะหนูหนูไม่ชอบผิดคำพูดด้วยค่ะค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์เยอะแยะเลยเนี่ยค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะทีเมะค่ะขอให้พระอาจารย์มีอะไรทาตามที่ปรารถนาหน้ค่ะสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพคุณเจ้าค่ะ โอเคน้องพีพหรือยังน้องพีหายหน้าไปหลายที่ามน้ำมสการค่ะหลวงพ่ออยังบ้างก็ดีขึ้นมากเลยค่ะคือที่ผ่านมาก็ปัญหาวุ่นวายเยอะแยะแล้วก็น้องพีก็ไม่สบายตอนนี้ก็ยังยังมีไอยอยู่บ้างค่ะก็ยังเริ่มเบาแล้วแล้วก็เป็นอีก เป็นหนักไหมก <K _' c ough> ็ไม่ได้ไปอาทิตย์ที่แล้วไปหาคุณหมอไปตรวจแล้วก็คุณหมอบอกไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นโควิดอาจจะเป็นแบบแพ้แพ้อะไรสักอย่างรุนแรงมากนะ <K _' c ough> ก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยค่ะ ย, ยังมีไออยู่เลยคุณจะแบบทั้งอาหารเป็นพิษแล้วก็ไปกินของกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โรงเรียนแล้ว <K _' c ough> ขาดเรียนใช่ป <K _' c ough> ่าแนะล้วไม่ได้ปโรงเรียนอยู่อ๋อ พอดีเนี่ยช่วงสอบพอดีเลยก็หยุดเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็เลยไปหยุดเมื่อวานวันเดียวค่ะวันนี้ก็ได้ไปเอ็มหนูก็กลับมาก็รีบรีบให้ลูกชายเขาเปิดเปิดเปิดอคอมพิวเตอร์รอค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาไม่ได้อาบน้ำไม่ให้น้องพีไปอาบน้ําก่อนอืมไม่มีอะไรไหมลนะ่ะมีอะไรจะพูดจะคุยไหมจะถามไหมก็ เออก็นึกถึงหลวงพ่ออยู่ตลอดเลยค่ะเอ่อปีใหม่ปีใหม่นี่เดี๋ยวหนูจะไปกราบหลวงพ่อนะคะจ้าค่ะน่าจะประมาณประมาณที่เอ่อห้าหกสี่ห้าหกประมาณนี้ค่ะต้องตอกกับวันสาวาทที่แล้ววันพระนะน่าจะมาตอนบ่ายอ๋อให้หนูไปให้ให้บ แ, แล้วแต่อยากจะไปพบที่ไหนนะมันามีที่พบหลายที่ถ้าตอนเช้าบิณฑบาตก็พบได้ทุกวันค่ะ แต่ถ้าจะมาพบที่ที่ด้านปกติก็ต้องเป็นวันเสาร์ทิศวันพางวันหยุดตอนบ่ายค่ะเาร์วันถ้าท่าจะมาตอนเช้าชก็มาที่ศาลาหอฉันเงียวันธรรมดามจะกลับจากบินทบานเหมืนเดิมปกติใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าก็าจะไปที่หอฉันก็ไปกับน้องเฟิร์นได้ใช่ไหมคะได้ก็ต้องไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกินเที่ยงวันือ้ไม่เกินเก้าโมครึ่งน แตต้องเป็นวันธรรมดานะถ้าสาวทย์วันพักก็ไม่ได้ลงศ า, าลาเรามีเรามีมันมีเหตุที่จะต้องจัดตารางแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะต้องทีไปไงหายดียังวยังดีขึ้นค่ะรู้ได้ยังว่าคาว่าทุกข์แปลว่าไงควอมเจ็บใข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ก็เป็นสุขอ่ะ ทุกข์หรืเป็นสุขลูกสุขค่ะเออพี่เชฟเป็นทุกข์ครับงั้นมีร่างกายดีหรือไม่ดีไี่ดีครับ น, นต่อไปะยังมีดีกว่านะค่ะพยายามไปไปปฏิบัติไปศึกษาวิธีหยุดการเกิดดีกว่าค่ะถึงจะเกิดมามีร่างกาย ก, ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเจ็บไปเรื่อยๆจนถึงวันตายเลยเจ็บตล้วก็าหายหแล้วเดี๋ยวก็เจ็บอีกเจ็บต้องก็หายอี ไม่มีร่างกายก็สบายเราอยู่ได้เราไม่เราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่กันได้เราเป็นผีแต่ผีที่ไม่หนอกใครผีดีผีดีเราเป็นดงวงวิญญาณจิตใจนี่คือดงวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายหน้าตาศัยร่างกายพาไปไหนมาไหน แต่ร่างกายก็มีปัญห า, าเรื่อแก่นั่งเจ็บเรื่องตายที่จะทําให้ดวงวิญญาณเราเศร้าทําให้ดวงวิญญาณเราทุกข์ดังนไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีจะไม่มีได้ก็ต้องนั่งสมาธิให้เป็นถ้านั่งสมาธิเป็นก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้มีอะไรไหมไม่มีค่ะ <Okay. S 3> ถามงลง้วงพี่ว่า กลับบ้านมาสายปล่อยมากวันนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เขามากลุลงตาหลายวันเบอกน้พีคิดถึงหลวงตาไหมหน้องพีบอกไม่คิดถึงเบอกอาะทาไมอ่ะน้พี่เห็นหลวงตาทุกวันเลยอืมอาเอารูกมีรูปหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวน้เอามาโชว์โชว์โชว์อีกโอ้ยเดี๋ยวก็หล่นลงมาหรอกน้พีตอนนี้ทำโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วครับ เวลาทําอะไรอ๋อเห็นไหมคะใช่เห็นอยู่โม่โม่หน่อยภาพเดี๋ยวต้องพี่ทําภาพให้ไม่เบิอเสิร์ให้เป็นอรเอาวางที่หิ้งพระทุกวันอาบพระสวดมนต์ทุกวันเนื้อให้นึกถึงลวงตาทุกวันอานึกถึงคําสอนนะค่ะแล้วนั่งสมาธิอาสมาธิเป็นคนดีได้ยินไหมหนูก สานให้เป็นลูกที่ดีต้องเชื่อฟังคุณแม่นะแต่ไม่ลูกไม่เด้อโอเคมีอะไรัหมมีอะไรไหมตอนตอนนี้กำลังเครียดจัดเรื่องเพื่อนคะ่ะไม่อยากอยู่แล้วอยากไปดลุนแบบอย่างเลวเลยหนูบอกว่ายังยังไม่ได้อีกกดทนรออีกกดทนรออีกหน่อยหนูก็เลยบอก ต้องู้จักอดทนต้องรู้จักอดทนดทนะเรา จ, จะสบาใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนก็คอยจะบูลลี่ตลอดเลยนี่ก็แบบเบื่อนายไม่อยากอยู่แบบนี้ค่ะหนูก็ต้องไปวันนี้ก็ไปคุยกับครูที่โรงเรียนนะคะอืมเป็นอะไรเรื่องเรื่องเพื่อนๆนเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะอืมเป็ น, น้องเพียงทั้งสมาี่เป็นน้องพียงเฉยๆไม่เดือดร้อนใครก็จะท่าบูลลี่ก็ปล่อยเขาบูลลี่ไปไินไหมลูกครับ ในนี้สวดมนต์มาได้แค่สวดมนต์เท่านั้นสวดมนต์แล้วก็ให้ทําสมาธิก็สวดมนต์เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าให้สวดแล้วก็หลับตามเป็นการนั่งสมาธิหนูก็เลยบอกโอเคก็แค่นี้ก่อนก็อก็ยังโอเคแต่ว่าหนูก็สอนธรรมะก็อยู่หนูก็สอนธรรมะน้องพีทุกวันค่ะแล้วตัวตัวเองก็ปฏิบัติเช้าก่อนนอนทุกวัน อ, อย่าลืมสอนตัวเองด้วยนะสอนก็เลยนะแล้วก็ต้องมาสอนตัวเองด้วยค่ะ โอเคนะมีอะไรไหมอ่ะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ค่อยไปก่อนนะการแข่งแรงนะคะใช่สาธุการค่ะองเรน้องเรนน้องเรนน้องเรนอ่ากอาจารย์ก่อนน้องเรนมาแล้วลูกน้องเรนลงมาคลงมาแล้วลูกอาจารย์โยมโยมถเข่าบวมโยมหิเข้านั่งไม่ได้้วยนะคะใช่ได้อ่า อ่านแล้วน้องเรนมานี่อ่านมาทางนี้อ่านมาเลยกลับพระอาจารย์ก่อนเลยทางนี้ค่ะเ่าเร็วกลับทางนี้อ่ะกลับนั่งลงลูกโอเคอ่ะกลพกลับพุทโธธรมโสามโธนมัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่านน้องเรนส่งการบ้านพระอาจารย์เร็วอ่านจะนั่งตรงไหนส่งนั่งตรงนี้ส่งเหรอ อันนี้ <Okay. S 1> อันนี้ก็อ <Susan, S 1> ี่โยมหญิงค่ะพาพอดีคุณหมอเขาห้ามให้โยมเดินสองอาทิตย์เจ้าค่ะเดียวคุต้องใช้นั่งรถเข็นต้องเลยเล็ hmm. มายึดแล้ว <WAS> จ้ะค่ะอ no ่านเล่นอ่านเล่นส <grey> ั e> ่งกันว่าเล่นอ่านหนึ่งสองสามนะโมแลวแล้วนะโมตัสสะดุทวนมือด้วยลูกนะโมตัสะอวะโตอาลาหโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสะอว่ตาลหโตสัมมาสัมพุทัสสะ เรา u t u a l สัมพันธ์วัตุข้าตุสามัคคีพุทธัสสะตออาหังสมพุทธะาวพุทธังควันตงทิวานตว่าลาวังตังัมโมธัมมงาสมิตุุันยปันตุาวตสสังสัมต่อปิจิวอหัง สัมมาทิฏฐิชานาสัมปันโนสุขาโตโลภสาวิตริอานุตตะโลภรือจารมาลิฌานติชาธาเทวมโนสัมมาทิฏฐะเราอาภัพุมีภัพุมีเราเพเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงเกลื่อนปุ๊สิ้นฉุดสัดสั้น ช อ, ชอบเลยองเองอ่าแล้วต่อไปอะไรอีกคะตั้งใจไหนลูกเดี๋ยวพระอาจารย์มองอยู่แล้วอ่าต่อต่อไปอะไรเอ่ยไปหลุดอ่าหลุดโอเคมาขอก่อนนะคะอ่าเรามีอะไรครับเดี๋ยวเพระอาจารย์รอคนอื่นรอคิวต่อนั่งเลยลูกอ่าเรามีอะไรครับมีความแก่เป็นธรรมดาจเรื่องคนความแก่ไปไม่ไถ้ามีความเจริญธรมรมดาจะลูกคนความตายไปไม้ได้ เรามีความความ <Yeah. S 1> ก็เป็นจทานแวคต่เ็ อ, อไปเวลเราจะต้องพัดเราจะองพักพักจากของลองจะได้ทั้งหลายทั้งตัวนมีนมีก็เป็นของของคุณเราจะต้องละผลของคนั้น เรามีกรรมเป็นเรามีกรรมเป็นทีพึ่ง อ, อาศัยเรามีกรรมเป็น<ม>ข้าพานเรามีกรรมเป็นําเนิเนํเาเนินเราจะทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วเ ร, เราจะต้องเราจะต้องรับผกษ์ของกรรนั้นเออผมบุญกุศลใดๆที่ข้าพเจ้ า, จาได้กระทําแล้วข้าพเจ้ า, จาขออุทิศกุศล น, นั้นแก่บรรดาชาติพัฒนาทุกคนนั้นโลก ในหกทางตัตว์ความมันดูแล้วตว์ทั้งหลยัยมันเป็นมันถูกเกิดเกล็ดแอดนติบอดทั้งหมดทั้งสิ้นจอยางมีเว้นไว้อย่าละเทียบบาทเปลียนเช่นก <c oughs> ารแม่การดึงโอ้ยเก่งมากต่อขึ้นเป็นขัน้าลัทธิได้ดูความสงบเพื่อการเติมฟาเรนเซนต์อาวิอาวิ<ม>ลัสตาสุทเทียตานักตกทานมันโอ้เก่งมาะแล้วอะไรต่อผมผมขนเล ฟันหนังเนื้อเอนกระดูกยื่นในกระดูกม้าหัวใจตับปอดปอดข้างื่อตับตใหญ่เส้นเลือดอาหารแม่อาหารเจ่าโอ้โหเก่งมากเลยคำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่อยสอนต่อแค่นี้ไอ้ลูกแค่นี้ก็เก่งอันนี้เด็กความจำดีใช่แล้วค่ะอันนี้เขาหยุดส่งกัน เออไม่ได้ท่องไปตั้งหลายวันแล้วเจ้าคะเนี่ยอืค่ะดีหัดท่องไวหัจจาไว้นะเป็นของดีเึ่งความรู้เรียกว่าปัญญานะหรือไม่ครับอยากกินนมอ่ะกินนมไอเทมไปกินนอันนี้ไม่เป็นปยาแล้วเป็นกินเลยนะขอขอให้พระอาจารย์ท่านผาดขันแข็งแรงเลยเจ้าค่ะญาตสาธุจ่าอากาศกลับสามทีก่อนพุทโธทมโโม สังคมเอาไว้ขายโยมหนึ่งหายดีแล้วโยมพาไปกราบหลังปีใหม่แล้วเจ้าค่ะใช่ค่ะถกตอนนี้โรคลุมเล้าค่ะพระอาจารย์มาหมดเลยปอดยังไม่หายก็เข่ามาแล้วเจ้าค่ะับน้าใช่ค่ะพัก วันนี้พักจริงจังเลยค่ะพ่อหมอสั่งห้ามเดินสองอาทิตย์เลยค่ะ ม, มันมีน้ําในเข่าแล้วมันบวมแล้วขาลงไม่ได้เลยพ่อจางขาลงแล<ม>้วมันจะเจ็บปะค่ะไห่อย่าไปเดินล่ายัางมันก็แล้วกัน ใ, ใชน่ใช่โยมก็เลยบอกว่าเนี้ยโยมก็เลยไม่ไม่สิ่งแล้วค่ะพ่อจาง พรปกติพอโยมเจ็บขาโยมก็จะไปทําบุญยังอะไรได้อะค่ะพระอาจารย์แต่งวด น, นี้ยไปไหนไม่ได้เลยเจ้าค่ะภาวานานั่งอยู่กับที่ะาาใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นโอกาสทองเลยเจ้าค่ะอนการดูบนเตียงกับที่นั่งแล้วเดินแค่ตอนเข้าห้องน้ำเองจ้ะเหมือนกันที่พระอาจารย์บอกให้นั่งอยู่กับที่6ชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ใช่เลยค่ะทําใจให้เนื่องกนะ็จจะมีความสุขใช่จ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แลท่านถ่ายแล้วเจ้าค่ะอย่ากขค่ะอย่าทุกข์กับร่างกายง่า ไม่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คำสอนพระอาจารย์มาตลอดเลยเจ้าค่ะสังขารไม่เพี่ยงเป็นลังของโลกทุกอย่างเลยเจ้าค่ะถูกต้องสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะหายเร็วๆนะค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคไปคนที่คนบัวต่อเห็นหคนบัวทุกคนมีทุกหมดไหมมีใครไม่ไม่ทุกไหมในโลกนี้ไม่มีนะ งนอย่าไปหาสุขในโลกนี้มันไม่มีหรอกมันในด้นโลกของความทุกข์กลับมาสท ก, การเจ้าค่ะอ่าไม่ต้องหนีความทุกข์เจอเจอทุกข์ที่ไหนเจอมันที่นั่นไม่ต้องหนีมันอยู่กับมันไปใ ห, ให้ได้แล้วใจอย่าสบายเจ้าค่ ะ, ะถ้าเจอทุกข์เราหนีก็ต้องหนีไปอเรื่อยๆมันก็ไม่ไปที่ไหนเมื่อต้องเจอทุกข์นั่นนะเจ้าค่ะอยู่กับมันเจ้าค่ะอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป เจ้าค่ะอยู่กับความว่างเลยเจ้าค่ะอืมเน่ค่ะเฉยอยู่กับอเบคานะควาเฉยใครก็มาเราก็เฉยใครเขาจะว่าอะไรเขาก็เฉยเจ้าค่ะอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรห้ามเขาไม่ได้เจ้าค่ะส่วนลูกเราก็ให้เขาเกิดแล้วก็ไปตามอ่าวิบากกรรนี้ลูกเจ้าค่ะเราก็ทําหน้าที่แม่ได้ เท่าที่ทําได้เจ้าค่ะเนี่เข้าไปจังหะเขาจะโตเจ้าค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมก็มีเราต้องเดินทางไกลมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตเราต้องไปต่อนะเจ้าค่ะจะไปทํางานก็แล้วกันค่ะไปทำงานหาเงนินเจ้าค่ะอ่าเจ้าค่ะ ก็ไม่ได้ไปด้วยถ้าใจเราไม่มีความตั้งใจจะทิ้งเขาเราก็ไม่ให้ทิ้งเขาเราก็เลี้ยงแลดูแลก็ได้ติดต่อกันอยู่ได้เจ้าค่ะส่งข้าวส่งของมาให้กันได้เจ้าค่ะเรื่องการเงินก็มีช่วยเหลือเขาบ้างอยู่จ้าคะ่ะได้เจ้าค่ะคนเรามัไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันหรอกถึงจะสดงความรักอยู่ด้วยัก็สแสดงความรักกันได้เจ้าค่ะอ่าพวกเราในพวกเราอยู่คนะที่คนละทางเนี่ยก็แผ่เมตตาให้กันได้ทุกคน หนูวางเขาได้ในรูปแบบว่าจาเป็นของตนอย่างน้องๆเขาหนูก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งเอ่อไม่ใช่ว่าแม่ทิ้งลูกแต่ว่าเราก็อยู่ได้ในรูปแบบการเติบโตของชีวิตแต่ละบุคคลนะคะอืเจ้าค่ะเราเองก็มักจะอยู่กับพ่อแม่แตั้งแต่เกิดมาเจ้าค่ะาฝากคนนั้นฝากคนนี้มาตั้งแต่เด็กเจ้าค่ะพูดคุยกับพ่อแม่ ตอนเรียนจบอยู่แค่ปีสองปีนะครับทำงานประโยชน์คนอนึ่นเนจ้าค่ะแต่เขาก็ไม่ทิ้งเขาก็เาดูแลยอยู่ห่างเจ้าค่ะตอนแม่เก็บป่วยก็ได้กลับมาดูแลแม่อยู่เจ้าค่ะอตอนที่ท่านจะเสียก็ทำหน้าที่ลูกให้ให้ถึงที่สุดก็รู้สึกว่าภูมิใจอยู่เจ้าค่ะอืามเป็นอยู่นี่สำคัญเจ้าค่ะ ตอนที่พ่อตอนที่พ่อจากไปพ่อก็มาหมดลมหายใจที่ตักของหนูเจ้าค่ะแล้วค่ะก็ได้สวดมนต์เจ้าค่ะได้สวดมนต์ให้คุณพ่อไปตามเสียงพุทโธเจ้าค่ะก็ถือว่าทำหน้าที่ได้โอเคเพราะว่าความตายเป็นของบุคคลทุกคนต้องเจอก็พยายามระลึกถึงบ่อยๆเจ้าค่ะทำที่เราอะากทำได้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุขอบพระคุณเจา้าค่ะพระอาจารย์เจ้าสาธุเขมาฟังธรรมเ จ, าจาา้จาค่ะแต่ได้คนไปที่คนตายต่อคณตายน้อมกลับนมัสการครัพระอาจารย์ไม่เลยมันก็ไม่ได้ไปหาพระอาจารย์เลยช่วงนี้มีแต่งานนอกั้งนั้นเลยก็เลยก็ยย ม, ายมาตรงนี้นีนน่กันได้หาอะไรนี่ ก็ค่ะพระอาจารย์ก็ยังว่าอยูต้องเข้าสูงให้ได้อย่างน้อยก็เข้ามากราบพระอาจารย์ hmm. วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวตั้งใจไว้ตั้งใจเหมือนเหมือนยมหญิงค่ะก็ปีหน้าเอาใหม่ <c oughs> ลม้มล้มตลอดเลยแต่ยังไม่คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้บ้างเยอะว่างเยอะกว่เดิมนะคะพระอาจารย์เริ่มปล่อยแล้วค่ะปล่อยลูกๆแล้วค่ะอือดี เริ่มปล่อยแต่โยมก็ไม่ทําอย่างเกินแต่โยมก็คิว่าถ้าเริ่มปล่อยแล้วแล้วก็เขา้าเขาวัดน่าจะมีเวลาเยอะกว่าเดิมอะพระอาจารย์โยมโยก็<อ>ยโยม โ, โยก็ภารกิจในโรงพยาบาลก็น่าจะหมดสิ้นแล้วพระอาจารย์เพราะว่าเอาเอาเหล็กเอาเหล็กออกแล้วแล้วก็ไปอะไรนะคะเอาไหมออกแล้วเรียบร้อยคะ่ะพระอาจารย์อตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหัดเดินก็ยังเจ็บเจ็บอยู่แต่หมอบอกว่า ต้องหัดเดินเพราะว่าเอ็นข้อเท้ามันขาดทั้งหมดเลยค่ะพระอาจารย์อืมก็เหมือนกับมาต้องมาเริ่มถ้าไม่ถ้าไม่หัดเดินมันก็จะยืดเอ็นจะยืดเดี๋ยวก็จะพิการจริงๆแล้วะอาจารย์ก็เลยต้องหัดเดินกันใหม่<อ>ค่ะ เ, <อ>เดี๋ยวยมยมเริ่มปีหน้าค่ะพ <laughs> อาจารย์อะไรปีหน้าแค่ไม่กี่วัน <laughs> นีาา้เท <laughs> ่ า, านี <laughs> น้ยวันนี้เยมากเย็นจยมจะใช้ยมกลับบ้านก่อ เดี๋ยวยมกลับบ้านกลับบ้านเชียงใหม่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาเอาเอาคนใหม่มาพระอาจารย์ <Okay. S 2> เอาคนเก่าเอาคนเก่าไปทิ้งไปกันค่ะค่ะวันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเข้ามากราบพระอาจารย์นะคะเอาคนเก่าที่กับปีเก่าไว้ยาวเอาข้ามปีเอาปีเอาคนใหม่ออกมาดีกวกันนะค่ะอันนี้ยอมก็เริ่มเริ่มกินมื้อเดียวแล้วพระอาจารย์ <Okay. S 2> ได้สักสามวันละยมกว่าเออเดี๋ยวจะพยายามให้มัน ถ้ามันดีดีมากกว่าเดิมค่ะพรอาจารย์ถ้าอยากจะจสดงต้องอดกั้นนะอดอดก้าว อ, อะไรต่างๆอดเสีงรูปเสียงกินรลเอ่ะรูปเสียงกินรลโยมก็ไม่ไม่เท่าไหร่อ ะ, อะไรก็ไม่นี้ลนะค่ะพระอาจารย์มีแต่เรื่องกินกับเรื่องคือออกมาสาวปุ๊บก็กินหนักเลยตอนนี้หน้ากลมบอกเหมือนเดิมนะ่ะยอมนี้เกียดเลยขี <laughs> ้เกียจอะไรพระอาจารย์ ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะกลับไ็เป็นท่านอาจารย์ค่ะะค่ะไปได้คนยินดีตาเปง่ายไม่มีภาษาค่ะดังหน่อยลูกไม่มีภาษาอะไรเลยนั่งสมาธิแล้วคงหลับไปแล้วค่ะนั่งเขาก็นั่งของ ฟันทักไม่ไม่ไม่ไ่ถูกเาแม่จางเขาปฏิบัติถืก็ไม่เ้ื่อเพราะว่าทำเขาเองด้วยความสมัครใจของเขาวิ่งท่าอาจารย์ก็ดีโอเคาอาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็ไปกันนะอ่ะแล้วไปกราบพ่ะอาจารย์ค่ะอ่ะัดีอคุณหมอภาชนะอ่ากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ ก็ยังปฏิบัติค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆหาเวลาที่พระอาจารย์ค่ะอยู่ที่เดียวคะก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็จะเข้าใจเลยครับครานี้ยังเป็นนั่เดินทางอยู่นะอ๋อนี่ทิปสุดท้ายแล้วว่าอาจารย์ที่บอกพระอาจารย์ค่ะคราวนี้ก็คือให้คุณพ่อขอแหละครั้งสุดท้ายก็คือที่พาไปไปไหว้หลวงปู่มั่นที่ท้ำเชิงดาวพระอาจารย์ทริปสุดท้ายแล้วคะ หมดแล้วครเพราะพระอาจารย์เติอนสติตอนนี้ก็ดูแลท่านอย่างดีแต่ว่าไม่ได้ไม่พาเดินทางแล้วพระอาจารย์ก็ให้ท่านขอถ้าขอก็จะพาไปถ้าไม่ขอก็ไม่ไปแล้วพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าดูแลอยู่นะคะดูแลอยู่ที่ที่กรุงเทพต้องขอผู้คุณพระอาจารมากเลยไม่งั้นคงจะเป็นทริปแบบพาไปพาเดินทางกลายเป็นกิเลสของเรากลายไปค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากเลย ค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณจันนี่เทิชเช่แล้วไม่มาแต่คุณแม่ม่ใฉยซันนี่มาดมา้วยว่าไม่ได้ยินเสียงค่ะการนมัสการค่ะพระอาจารย์มามาค่ะพระอาจารย์หนู<ม>าตามหลังคุณแม่มาที่หน้าคุณเต๋นเอนะ <S 2> <S 2> ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ยินเสียงพูดเลยการนมัสการพระอาจารย์อยู่คะ่ะแต่สงสัยเ อ, อพระอาจารย์ไม่ได้ยินพระอาจารย์คุยกับคุณแม่อยู่ วันนี้คุณแม่เขามีคําถามอยากจะถามค่ ะ, ะเราถามมาจาบนระมาสการค่ะพระอาจารย์คือมีปัญหาว่าเอ๊ะอยากถามว่าดวงตาเห็นธรรมคนที่ดวงตาเห็นธรรมคือแบบไหนแล้วคนที่ไม่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมคือแบบไหนเจ้าค่ะคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องดับหมดไงไม่มีอะไรไม่ดับแต่เงินทองก็ดั บ, ด บ, ดบ ข้าของทรัพย์สินอะไรดับหมดคือหมดไปอมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดร่างกายอันนี้ก็ต้ทำดับมันก็ไม่มาอยู่กับเราไปตลอดมีอะไรต้องดับทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วทดับเน่เห็นความไม่เที่ยงอะไรอันนี้จังครัพอรู้ว่าไม่เที่ยงมปนอันนี้จังก็ไม่ยึดไม่ติดมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมัน ถ้าถ้าไม่ยอมให้มันดับไปล้มันดับมันก็จะทําทให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเหมือนเทาเนี่ยเทาไม่ให้มันมันไม่ใหมันลงไม่ยอมให้มันลงก็ทุกข์อ่ะถอดยังไม่ได้ก้าไม่กล้าข้าวนึกถึงก้ามรองอาจารย์เลยไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ทางมันก็มีดับไม่ดับไม่ดับไม่แล้ขึ้นมก็เกิดอ๋อก็ไม่เกิดเลยเลยสบายใจเพรไม่ได้เล่นไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วก็ดวงแปล ดวงตาที่ไม่มีทําทําไม่ไม่เห็นทำวิญญาณทุกอย่างจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไงอแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดจ้ะอ๋อที่จริงเอวก็ทําได้อยู่เนอะรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแล้วก็มีทุกอย่างอย่างสิ่งเงินทองที่เราหามาแล้วก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราเรนนี้แต่พอดี พาเพื่อนไปกราบพระอาจารย์วันศุกร์วันนั้นเขาบอกว่าโยมดวงตาไม่เห็นทำก็โง่ว่าไม่เห็นทำตรงไหนเพราะฝึกปฏิบัติทำนั่งมโนไมยิดที่กับพระหลวงพ่อฤาษีจันทรก้อนมานั่งมาแล้วได้ามาแล้วแล้วครั้นี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นทำแต่ ย, ยังก็จะล้อกันล้อกันทเลาะเรื่องธรรมะเลยพาเขาไปกราบพระอาจารย์เป็นครั้งแรกวันศุกร์วันนั้นแล้วเขาก็พอ ดังแรกก็ถามว่าเป็นไงพระอาจารย์เทศเป็นยังไงมัง่งเขาบอกธรรมดาตอนแรกก็วิบจริงไม่ต้องปกป้องพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ให้ใครปกป้องแล้วแต่ความที่เคยอยู่ฟังธรรมพระอาจารย์ตลอด ก, ก็เลยอยากปกป้องก็ก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรพอตื่นมาเช้าทะเลาะเรื่องตับมากกันอีกเลยทะเลาะกันใหญ่เลยเราบอกว่าเขาถึงขั้นจะจะรู้แล้วเหรอเห็นพระอาจารย์ฟังไปฟังที่ไหนมาฟัง ฟังธรรมดาไม่ได้แล้วคือต้องขั้นสูงกว่านั้นก็สามข้ก็บอกฟังจาก y o youtube อมาวัดป่านาพงค์อะไรสักแก่ะนั่นะเขาฟัง y o u t u ู e ค่ะแล้วนีเลยทะเลาะกันไหนที่จริงหนูก็ผิดเอ้โยมก็ผิดนะไม่น่ามีคือไม่น่ามีอารมณ์คือการปกป้องปกอครูบาอาจารย์ปกป้องครูบาอาจารย์ที่เคยพระพุทธเจ้าบอก ไม่ต้องปกป้องท่าน น, นะนะเหมือนที่เคยอ่านหนังสืออะไรฟังสัรมะของพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ต้องปกป้องท่าน เออก็นึกถึงอาจารย์ก็คงไม่ต้องปกป้องอาจารย์อาจารย์มีพระธระรมบกป้องแล้วแต่ก็อดไม่ได้มันคือเรายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยใช่ไหมคะคือเรายังไม่ถึงขั้นไหนเราก็อดปกป้องพระอาจารย์ไม่ได้เลยก็เลยทะาไม่ได้ทะเลาะเรื่องอะไรค่ะทะเลาะคนนั้นอาทำอยู่ข้างบ้านพาไปด้วยวันนั้นพาไปอยู่บ้านสามวันอยู่คอนโดสามวันแล้วพาไปกาปปราบอาจารย์เป็นครั้งแรกก็เลยเขาโกรธยมไปเลยแต่กโกรธก็ไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไร โกรธก็ไม่เป็นไรเอาตามความสบายคือเราก็ปล่อยวางแล้วก็คือไม่จําเป็นต้องว่ายึดติดกับเขากโกรธไม่โกรธก็เลยปล่อยวางค่ะ อ, อย่างนี้โยมทําตัวไว้ที่ไปคืออยากปกป้องะอาจารย์ไม่อยากแบบคือแบบเขาทําหน้าทําตาแบบคือแบบยังไงอ่ะงเขาคงคิดว่าเขาเก่งแล้วอะไรย่างเงี้ยโยมก็ทนไม่ได้อ่ะก็เข <c oughs> าอจะเก่งจริงก็ได้หวังว่าเก่ง่งนะ<ว>ค่ะ คือเขาไม่ได้มาฝึกเหมือนลูกโยมอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนจะนี่ไปนั่งสมาธิในป่าในเขาคือเขาก็ไปฟังในทํายูทูบอะค่ะแล้วก็ไปวัดมื่อเงือบางขาวแค่หนั้นค่ะค่ะไปนั่งสมาธิที่คนเยอะๆคนเยอะๆมันไม่ค่อยได้สมาธิหนูว่าค่ะอันนั้นเลยกลายเป็นว่าเลยอย่างนี้โยมก็ผิดนใช่ไหมคะโยมก็มองไม่เห็นธรรมเหมือนกันคะ ก็นานอ่ะมองขนาดนั้นก็นอยากรู้ว่าคือมองคือไม่เห็นธรรมคือยังไงใช่สนัจมองเห็นธรรมไม่ดาไม่มีชมไม่ด่าเป็นธรรมดาเวลาด่าเวลชมก็เหมือนเกิดขึ้นมาเวลาด่าก็เหมือนตายไปก็อ๋อค่ะอ๋อทีนี้คงต้องตามองเห็นธรรมแล้วแหละเฉยไว้ถ้าคนี้าไม่คนคนมีดวงตายทำเนี่ยเฉย ค่ะ mm hmm. ไม่ใช่อไดเออเพราะ mm hmm. ปกติก็ปลูกสมาธิอยู่กันแต่ว่าไม่ก็ได้นั่งนานเพราะว่าเนื่องจากคอเป็นหมอนรองกระดูกก็ใ mm hmm. ช้วิธี mm hmm. นอนสมาธิแล้วพอตื่นก็สมาธิก่อนนอนก็สมาธิรู้สึกตัวเมื่อไหรก็สมาธิตลอดเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้แค่จนะิตสงบมาค่ะอืมไม่ยังดีเดี๋ยวก็ไม่ทําเลยนะค่ะทำไปเรื่อยๆก่อน ค่ะจริงทํามาหลายปีแต่อายุสี่สิบเจ็ดจนตอนนี้หกสิบสี่แต่ว่ายังยังไม่บันลุถึงเวลาต้องมาโน้อยนะใชหมค่ะมัวแต่ตามไม่เห็นทำนี่แหละท้อส่มัวแต่ไปตามราคาทองคำมันไม่เห็นทำมันเลยตามราคาราคาทองคําตอนนี้ก็นมอวดูตลอดเหมือนกันไม่กล่าวว่ามันลงแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้แบบไว้นานๆไม่แบบเปื่อเงินเฟ้อหรือว่า ไว้เงินแน่นะโคตรอะค่ะเดี๋ยนะอย่าไปขายเลยเดี๋ยวขายแล้วก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี่แต่ว่ามือจะสดได้้าขีดน้ําตอนคือตอนอันอันเก่าที่ดอยอะค่ะแม่เขากดผิดเขากดขายขาดทุนไปแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เขาที่ที่ร้อนร้อนใจนี่คืออยากเข้าใหม่ครับอจารย์รไปเจ็ดครักดผิดจะกดรอราคาขายดันไปกดขายขาดไปกดผิดโอ้โห เงอะไกพักๆเลยค่ะโอเคเนี่ยแต่การแต่ทุกกรรมฐานการรู้แล้วค่ะทีนี้ว่าดวงตาเห็นธรรมกับดวงตาไม่เห็นธรรมคือเป็นยังไงค่ะเห็นแล้วต้องเฉยๆขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาคือเห็นธรรมมีชมมีดาเป็นธรรมดาค่ะดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนั้นค่ะ ไม่เห็นธรรมนี่คือเราไปทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนกับมันไม่ไม่ทำให้มันเป็นอย่างที่เราขาพูดอะไรก็เอามาแบบโกรธเลยอะไรประมาณนี้ยังแสดงว่าไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมทีหลังต้องเห็นธรรมแล้วกันเห็นธรรมแล้วกันแบบนี้ซึ้งแล้วค่ะค่ะแสาธุค่ะค่ะซึ้งค่ะอาจารย์ค่ะดวงตาเห็นธรรมนี่จริงๆความหมายจริงๆคือ หมายถึงพระโสดาบันอย่างเดียวเออขึ้นไปหรือเปล่าคะหรือว่าใช้กับปุถุชนที่เห็นในเบื้องต้นได้คือถ้าพระโสดาบันนี่จะไปเห็นเห็นที่ร่างกายไปเกิดแล้วต้องตายต้องเจ็บต้อ ง, ต, องต้องแก่แล้วพระโสดาบันก็เฉยๆกับความแก่ความเจ็บควา ม, วามตายได้แต่เรื่องเงินทองขึ้นทองลงนี่ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงขั้นโสดาบัน มันอย่างมันของนอกตัวนอกนอกกายอยู่ใช่ของวัสดามันี้นเริ่มตดนที่กายขันห้าข้าหน้ากายกับเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็มีสุขมีทุกข์มีสลับกันไปร่างกายก็มีเกิดมีตายใจไม่ทุกร้อนกับมันเวลาร่างกายเป็นอะไรไป้ น, นีตอนน ดวงตาเห็นธรรมก็อาจจะมีหลายขั้นใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าขั้นขั้นพระอริอยก็ต้องต้องเกี่ยวกับร่างกาย <c oughs> แต่ได้เห็นเรื่องสามีอยู่กับลราแล้วทิ้งลงไปนี่มัน ก, มนก็มันก็ยังไม่ถึงขั้นขั้นโสดาบันขั้นโลกธรรมอยู่ยังต็มอยู่กับโลกพ <c oughs> โลกธรรมราม่ายยศสรรเสริญศุกอยู่ แต่ถ้าเห็นโลกธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็ถือว่าเห็นเห็นธรรมในระดับหนึ่งใช่ไหมคะในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงระดับพ<ฆ>ระสุภาอริยะบุคคลอาริยะบุคคลต้องเห็นร่างกายแล้วไม่ทุกข์เก่ยับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเป็นจ ะ, จะเป็นมะเร็งเรื่ออะไรมันก็เฉยเฉยมันยอมรับได้ค่ะพระอาจารย์ แล้วก็จะขอรายงานการปฏิบัติที่ไปขึ้นเขามาค่ ะ, ะ, คะก็สองคืนค่ะพระอาจารย์สามวันสองคืนอเออก็ได้ไปฝึกได้ไปฝึกเอ่อวันที่สองค่ะได้อดอาหารอดอาหารทั้งวันแต่ว่ามีกินกินนมขวดหนึ่งค่ะตอนก่อนเที่ยงค่ะแล้วก็แต่ไม่กินไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกินข้าวเลยแล้วก็ เอฝึกนั่งฝึกอยู่กับที่หกชั่วโมงค่ะที่เอ่ออยู่บนเบาะเบาะนั่งเบาะฝึกเบาะนั่งสมาธิอ่ะค่ะก็คือกําหนดว่าจะอยู่บนเบาะไม่ไม่เดินยืนมีท่ามียืนกับนั่งแล้วก็ยกเว้นว่าไปเข้าห้องน้าอะค่ะอหกชั่วโมงก็เ อ, อยู่กับที่อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็คือนั่งสมาธิไปด้วยแต่ตอนนั่งสมาธิจะค่อนข้าง ปุงสั้นเพราะว่าไม่ยังไม่เคยอดอาหารทั้งวันนะคะอาจารย์ก็เลยจิตมันคิดเรื่องจะวกไปคิดเรื่องอาหารบ่อยค่ะอาจารย์จะปรุงนิดนึงค่ะอ ม, อ, อมีบางช่วงคือคิดเมนูไปไปทั้งสัปดาห์แล้ว <laughs> ค่ะอาจารย์แต่ก็เหมือนไม่มีแ<ล>ต่กินแล้วยัง ไ, ไ, ไม่สร็จนะก็ <laughs> ยังยังไม่สงบจริงๆค่ะรอบนี้แต่มีมีมีสงบใจบ้างเป็นเป็นระยะแต่ก็คือไม่สงบได้ไม่นานค่ะพระอาจารย<น>คา์ค่อนข้างค่อนข้างฝุ่งแล้วนั่งครบหกชั่วโมงอ่ะผ่านหกชั่วโมงไป ไ, ได้ปะเออคืออยู่กับที่ในอิริยาบทเอ่อนั่งกับยืนนะคะคือครบหกชั่วโมงแต่ว่าแต่หนูนั่งสมาธิได้ค่อนข้างค่อนข้า ง, ค, างค่อนข้างสั้นค่ะคือ ประมาณคือมันมีอาการเวทนาโผล่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในวันที่สองคือเหมือนแบบกระดูกขับเส้นนะคะที่เคยมีอาการอยู่มันมันเหมือนมีอาการกับเลิ้ลขึ้นมานั่งไปประมาณยี่สิบนาทีมันจะมีอาการปวดขึ้นมาประมาณระดับระดับสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ พ, พ, พมันจะไล่ๆล่ขึ้นมาแล้วพอ นั่งไปได้สักยี่สิบกว่านาทีคือคือมันปวดตั้งแต่ประมาณสองสามนาทีแรกที่นั่งเลยค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วหนูก็ทนไปได้ทนได้แค่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่านาทีแล้วก็ต้องต้องเปลี่ยนท่าค่ะเพราะพอไประดับห้าระดับหกหนูก็หนูก็แบบหนูก็ไม่ไห ว, ไไหวใช่ค่ะแต่แตว่าค่ะยังไม่แล้วยังไม่ถึงขั้นที่บงังคับให้มันอยู่กับที่ที่เดียวให้นั่งอย่างเดียวขั้นี่นี้ยังเปิดโอกาสให้มันสลับวิญยาบทได้ ค่ะพระอาจาร ย, ย์ก็เลยก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้สมาธิจริงๆเท่าไหร่คะ่ะแต่ก็ได้ฝึกฝึกสติอยู่คะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ห้ามใจไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาไม่ไ ป, ไปนู่นมานี่อยู่กับที่แต่หนูคิดว่าอยู่กับที่หนูไม่ค่อยมีปัญหาคะ่ะคือไม่ได้มีใจว่าแบบ คือตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าใจมันจะดิ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาขึ้นเขาอะค่ะหนูก็จะสลับนั่งข้างในบ้างแล้วก็ไปนั่งข้างนอกบ้างสลับกันไปมาค่ะเวลาเหมือนแบบนั่งข้างในแล้วมันเหมือนมันเริ่มอุดอู้แล้วหนูก็ไปนั่งข้างนอกนั่งข้างนอกก็เริ่มฟุ้งหนูก็กลับเข้ามานั่งข้างในอะค่ะแต่ก็ลองพอนั่งที่เดียวก็ก็คือโอเคค่ะพระอาจารย์ใจไม่ได้ดิ้นอยากไปข้างนอกข้างในอะไรเลยค่ะแต่ว่าอาจจะไปฟุ้งเรื่องที่อย่างที่บอกเรื่องอาหารอื S <S ไม่ต้องเวลาต้องคิดถึงปฏิกรูนบ้างหรปฏิกรูนค่ะก็พยายาม <S 2> <S 2> <S พยายามดึงมาคิดถึงปฏิกรูนอยู่ค่ะอาจารย์้วมันก็ <S <S 2> <S 2> นปนไปในเท้าแล้วมันเป็นยังไงบ้างหน้าตาแล้วก็แต่ว่าพระอาจารย์คะพอพอตอนแรกหนูนึกว่ามันเป็นพ้อกระดูก ข, ขับเส้นใช่ไหมคะคือมันปวดแบบค่อนข้างรุนแรงมากเลยเออหนูก็เลยไม่พยายามไม่พยายามฝืนนั่งแบบไปจนแบบระดับ ความปวดที่เยอะกว่าประมาณห้าหกไม่ไม่พยายามนั่งไปจนแปดเก้าอะไรอย่างนี้นค่ะแต่ว่าพอพอลงเขามาแล้วก็เอา้าพอมานั่งนั่งที่บ้านก็ไม่มีอาการแบบนั้นค่ะก็นั่งได้ปกติหนูก็เลยคิดว่าเอากิเลสหลอกหนูแล้ว <laughs> หนูโดนกิเลสหลอกแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ต้องต้องอย่าเชื่อมันใช่ค่ะเราก็แบบเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบ ขอเปลี่ยนก่อนยังไม่อยากให้แบบทนจนแบบบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ค่ะก็อาจจะแบบแล้วก็ทนทนเองไม่ได้ด้วยค่ะคือบาดเจ็บไม่เท่าไหร่แต่ว่าทนทนตอนนั้นคือทนทนไม่ได้จริงๆแต่ก็พยายามพอในหกชั่วโมงนั้นก็คือนั่งนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเลยค่ะยี่สิบนาทีก็นั่งก็สลับสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะอาจจะมียืนบ้างยืดยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ดี ทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลทันทีทันใดแต่อย่างไรมันก็ได้หักข้ามใจไม่ให้ไปคิดไปโน่นมานี่ค่ะแต่ว่าบนเขาแนะนําจริงๆค่ะสําหรับคนที่อยากฝึกปฏิบตัติแต่ว่าไม่มีสถานที่วิเวกก็หนูรู้สึกว่าแค่หนูเดินเข้าไปหนูก็ได้ความแบบวิเวกแล้วค่ะเป็นแบบเป็นสถานที่วิเวกถึง แล้วก็ได้กายเหมือนแบบกายมันวิเวกแต่ว่าถึงแม้ใจหนูยังไม่วิเวกแต่ก็ก็คือแบบค่อนข้างสงบสงบรู้สึกสงบระดับหนึ่งเลยค่ะได้ความเย็นใจระดับหนึ่งเลยค่ะอาจารย์อ่าดีค่ะก็<ป>ยังไม่มีคําถามอื่นค่ะไปไปไปอีกนะค่ะพระอาจารย์ถ้ามีโอกาสจะไปอีกค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยเขาบอกว่าเขาอาจจะยังไม่ ไม่ไม่ชอบแนวขึ้นเขาไปอยู่คนเดียวแบบนี้เขาบอกว่าเขายังมีความเหงาอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็หน่ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้แนะนําอะไรเขามาพราะว่าเขาจะยังไม่ได้มาสายนี้เต็มตัวคือเขาจะแค่เอ่อมีเป้าหมายคือปฏิบัติไปปฏิบัติปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เขาฝึกแบบที่เขาชอบดีกว่าได้คะตัวใครตัวมันนะไม่ต้องเปเท่ากันช่วยแล้วถ้าเขาไม่มาก็แล้วไปค่ะ อ <Okay. S 2> แต่รอบนี้ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเขาหนูก็เลยได้ไปตอนแรกแม่เขาไม่กล้ายอยู่คนเดียวแต่พอเพื่อนเขาอยากไปแม่ก็เลยให้ไปอ่าค่ะ <c oughs> โอเคเดค่ขอบคุณค่ะทุกท่านอ่าคุณหมอตา้ากับคุณหมอแนทหายไปหลายอาทิตย์เหมือนกันนะครับรามรมาศ ก, การพระอาจารย์ค่ะหายไปหลายอาทิตย์ครับอาจารย์ <c oughs> จะมีพาระไงทางโลกเรื่อยๆกับพระอาจารานนย์ นี่เห็นว่าใกล้ปีใหม่แล้วครับอยากมากลับขอพรเข้ามาให้ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะพรก็คือทำมาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพรยังบําเสดครับพระอาจารย์ไปครับหนูมีคําถามค่ะพระอาจารย์ออย่างเวทนาที่เป็นแบบไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยค่ะต่างกับอุเบกขายังไงอะคะพระอาจารย์เออคือเวทนาจะมีสามสุข ทุก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่เวลาเราหิวข้าวมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาเรากินข้าวอิ่มมันก็มันก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมาเวลาที่เราไม่หิวไม่อิ่มมันก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ใช่อหมโฟลเบขานี่หมายถึงจิตที่สงบจิตที่ไม่รักชังกลัวหลงเฉยเฉยเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคนละเรื่องกันเพราะว่าอย่างก่อนแค่ คืออย่างแบบเหมือนแบบบางอย่างคืออย่างเมื่อก่อนเราเคยเจอของที่เราแบบเนี้ยอันเนี้ยเราชอบหรือว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราชอบแล้วพอช่วงหลังเราไม่รู้ว่าเราชินแล้วเราเลยเฉยเฉยหรือเรา uh mm. เราวางใจได้คือไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนหรือบางทีของที่เราเคยแบบไม่ชอบแต่พอเดี๋ยวนี้เจอก็เฉยเฉยแบบเนี้ยคะ่ะพาร์ชานก็คือเดี๋ยวเราเราโยนทิ้งไปดูดิเดี๋ยวมันจะกระทุ้งกเปล่าโอ้โหอืม ถ้ามันอยู่กับเรามันอ่ะจะชินชากันมั้งท่ามันหายไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรอืมมันจะไม่จริงแต่จริงถ้าเฉยจริงแล้วมันหายไปก็เฉยเฉยไปอยู่ก็มันอยู่ไม่ได้ไปก็ได้ยังเป็นู้เบกขาอ๋อครับอาจารย์ก็ลองเอาไว้ให้คนอื่นดูเลยอะไรเช่นี้เรารู้สึกเฉยเฉยกันมั้นแลอ่ะมันเราเฉยกันมันแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนถ้ามันจะไปก็ให้มันไปดูเลยอืม รายจ่ายถ้าเงินเท่านี่ยเราอยู่มันมาตลาดแล้วก็เฉยๆมันไม่ใช่เหรอเราพักไว้ให้คนอื่นคนดูดิว่าอืจริงปะรายจ่เายว่ามันจะเฉยจริงไหมมันจะอยวางใจได้จริงไหมถ้าเฉยจริงกานเงินหายก็เฉยๆไปก็เกิดใครมาขโมยเงินแล้วก็ลืมกระเป๋าเที่ยวที่ไหนแล้วหาไม่เจอ ก็เฉยไม่ไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอย่างนอ้นถ้าอย่างทุวางใจได้จริงถ้อย่างนั้นใจเฉยวางเฉยใจไม่ทุกข์กับอะไรก็แสดงว่ามีโอเบคาอ้ค่ะพระอาจารย์ไม่ทุกข์เพราะรักไม่ทุกข์เพราะฉังไม่ทุกข์เพราะกลัวไม่ทุกข์เพราะหลงเพาเป็นเราเป็นของเรานี่อืมก็แล้เรื่องกับโอเบคาก็แล้เรื่องกับไม่สุขไม่ทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นโอเบกคามันเป็นเมตนาชนิดที่สาม อค่ะพระอาจารย์เวทนาไม่มีโอเบขาเวทนาไม่ทราบใครเอามาใช้มันอันนี้มันมันไม่ได้เป็นโอเบขาเวทนามันเป็นเวทนาที่เป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์สมัยนี้ข้อมูลทางธรรมะมันถูกบิดเบยไปมากคนสอนเยอะสอนเยอะทั้งคนฟังงงไปหมดเลยไม่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไหม คน่าศึกษาจากพระตัณิบดมจากพระพุทธเจ้าดีกว่าคนหนึ่งก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนค่ะพระอาตารโอเคเข้าใจหรือยังระว่งวางโมเบคขากับเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันคนละเรื่องกันสัญญาเราไม่เหลอืมนะมีอะไรอีกไหม ไม่ได้ยินนะไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์คยังลำลึกคาบกินสัญญาณถ่ายค่ะคระอาจาสยกบางช่วงครับแต่ภาพรวมพอได้ยินอยู่ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวไปย้อนดูอีกงหนึ่งย้อนฟังอีกทางค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์สาธุอาจาค่ะไปที่คุณเอกต่ออุณเอกเชียงรายนอรยสการพระอาจารย์ครับผม ไปยังไงครับก็ปฏิบัติทุกวันอยู่ครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็เข้ามารับฟังครับยอาจารย์ครับดีครับไม่มีอะไรนะต่อไปต่อไปก็ครับจะได้ไปต่อครับผมมีอะไรครับอาจารย์ต้องกราบอาจารย์ครับผมครับวันนี้คุณนันต่อคุณนันตก็ไม่มีอะไรเือแต่เข้ามาไม่ขาดเลยนะ อ่ะค่ะน้อมการน้มักการเาคพระอาจารย์ดีเป็นนักเรียนที่ดีไม่เคยขาดเรียนเลยตั้งใจมากๆเจ้าค่ะโอเคเดยวหวังว่าคนได้รับประโยชน์ไม่ไม่มากก็น้อยประโยชน์สูงสุดเลยเจ้าค่ะเป็นทางบรรทุกเจ้าค่ะเี๋ยวสาธุคนที่คนดิสยาต่อนาทิวานมักการค่ะพระอาจารย์ ไปยไงไปอยู่สันบ้านมาเนอะอยู่อยู่สันฟันทิพย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะจารย์ค่ะอพระอาจารย์ค่ะมีคําถามค่ะพระอาจารย์คือเอหมาที่บ้านนะคะเขาเสียไปค่ะอาจารย์แล้วตอนก่อนที่เขาเสียเขาทรมานค่ะพระอาจารย์แล้วอหนูช่วยคือช่วยเขาตอนที่เขาทรมาน เขาก็จะตัวสันสันนิ่นนคือเริ่มเห็นเลยว่าเห็นว่าทุกทุกคนต้องไปสู่ความทุกข์คือความตายค่ะพระอาจารย์แล้วก็จริงๆตอนที่เห็นนะ่ะเรารักเขาอ่ะค่ะก็ทําใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ตอนที่เขาไม่ค่อยสบายก็คือพูดโทรพูดโทรไปกับเขาแล้วเราได้พูดโทรไปด้วยค่ะมันก็ตอนที่รู้สึกมันสลบทหน่อยพอการมีพูดโทรมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะพระอาจารย์มันเหมือน เข้าสู่ความรู้สึกกลางๆ ก, งก็มองเขาเพราะว่าทําอะไรมากว่าไปกว่านั้นไม่ได้แล้วค่ะเราให้คุณหมอก็ว่าช่วยมันเหมือนเหมือนก็ถึงเวลาของเขาแล้วค่ะร่างกายเขาเขาเป็นโรคไตแล้วมันทํางานต่อไม่ได้ค่ะแต่พอหนูกลับเข้าไปนั่งสมาธิพอเห็นเขาหลับค่ะพระอาจารย์หนูก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิพอเวลาที่พอเวลาที่เครียด น, นะคะหนูก็จะชอบเข้าไปนั่งสมาธิแบบหนีปัญหาค่ะพระอาจารย์พอออก ออกพอออกจากสมาธิไปปุ๊บเจอว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยรู้สึกแย่นิดหน่อยค่ะตรงที่ไม่ได้ไปลาเขาตอนครั้งสุดท้ายคือหนูเข้าสมาธิแล้วหนูไ ม, ไม่ไม่ทันได้ยินนะคะแต่ว่าเลยรู้สึกว่าครั้งนี้คือจะหาวิธีแก้คือจริงๆแสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะมองเขาไม่สบายค่ะอาจารย์เราจะต้อง หนูรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยให้เขาไม่ทุกข์อะค่ะแต่ก็ทําไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะเขาเขาซุฟข์ทร์กับอาการป่วยของเขาอ่ะค่ะเราจะดูมันยังไงดีอะคะเวลาที่เห็นคนป่วยแล้วเราต้องมองเขาอะอ่ะเอเหมือนกับมองมองดูพาอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี้ยเนี่ยเป็นเปลี่ยนพระอาทิตย์ก็ได้เปลไม่ได้เออคนเป็นาฬิกาก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่ไหม อืก็อมองไปเฉยๆไปมองเป็นเหมือนอำนาตาไม่อยู่การอยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปทำไม่ไน้เราก็ต้องมองเฉยๆไว้วางด้วยอเบกขาว่าเราทําอะไรไม่ได้ที่เราทุกที่เราทุกเพราะเราอยากจะช่วยเขาไงแต่เราช่วยเขาไม่ได้เราก็เลยทุก แล้วเราบอกถ้าเรอกวอยากจะช่วยเขาจะช่วยไม่ได้แล้วเราก็หยุดความอยากจะช่วยเขาแล้วก็หายทุกข์เราต้องรู้ขอบเขตของการช่วยเหลือของเราว่ามันมีขอบมีเขตมีเขตมีเขตมีขอบอยู่ขั้นหนึ่งเราช่วยได้ก็ช่วยไปแต่พอมันเกินความสามารถของเราที่จะช่วยเขาได้ก็ต้องหยุดความอยากจะช่วยเขาปล่อยให้เขเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไป ความทุกข์ของอยู่ที่ความอยากจะช่วยเขาแต่เราช่วยเขาไม่ได้เราไม่มีปัญญามองว่าเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากที่จะช่วยเขาเพราะความอยากที่จะช่วยเขามันทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากที่จะช่วยเขาพอใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาฟังไปทําดู เดี๋ยวมีเรื่องอื่ให้ทำเยอะแยะไปมย่างช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ถ้ช่วยไม่ได้ก็เลยทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาว่ามันเป็นเรื่องส่วนวิสัยเกินความสามารถของเราที่จะทำอะไรให้เขาได้เราก็ต้องหยุดความอยากที่จะช่วยเขาพอเราหยุดได้ใจเราก็จะหายทุกข์ทุกข์ค่ะพระอาจารย์ตรง เเห็นอริยสัจความทุกข์ก็ดจะความอยากของเราความอยากของเราเก็จะความความหลงที่ไม่เห็นว่าเราช่วยเขาไม่ได้นะยังอยากจะช่วยเขาอยู่นี่คือความหลงถ้ามีปัญญาก็จะไม่หลงจะรู้ว่าช่วยไม่ได้ก็จบปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไปนะเข้าใจยัง ค่ะเ ข, ข้าใจค่ะอาจารย์แล้วก็จะก่อนนั้นหลังจากนี้ก็พิจารณาเรื่อยๆค่ะว่าพอก็ออกจากสมาธิแล้วนึกถึงเขาก็อดีขึ้นล่ะแค่หลังจากนั่งสมาธิอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นึกว่าเขาไม่เจ็บแล้วเราก็สบายใจค่ะแต่ว่าพอบางทีมันวกกลับไปตรงที่ตอนเท้าเขาทุรนทุายมันจะอูบลงไปนิดหน่อยค่ะแต่เดี๋ยวจะพิจารณาเรื่อยๆค่ะว่า มันทําไม่ได้แล้วค่ะอืมโอเคสาธุสาธุค่ะาอาจารย์ไปที่คุณแม่ต่อปรนส่าแล้วลการค่ะพาจารย์ค่ะการลูกษาวไปอะไรไปเราจะทําใจได้ไหมเอ่อโยมโยมไม่ได้ถ้าโยมพูดไปเดี๋ยวจะว่าเงั้นโยมก็ทําใจอยู่อะค่ะอาจารย์อืคือ อันนี้พูดจริงจริงไงไอันนี้อันาจารฐานยมพูดจริงนะคะอาจารย์โยมคิดว่าณตอนนี้ในครอบค ร, รัวขรัวโยมใครไปก่อนคนนั้นโชคดีค่ะพระอาจารย์อืโยมคิดแบบนั้นจริงๆนะคะอืมอพูดกับอาจารย์ตรงๆะะงเลยค่ะว่าใครไปก่อนโชคดีใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นคือคุณจะต้องอยู่กับความโดดเดี่ยวแล้วคุณต้องอยู่ให้ได้ค่ะโยม ยมทําใจได้อยู่ค่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้สาดิตหรือไม่ได้โหดร้ายนะคะตอนพ่อโยมเสียยมก็ไม่ได้ร้องไห้แม่ยมเสียยมก็ไม่ได้ร้องไห้จนกระทั่งไม่กล้าบอกใครว่าเราเป็นลูกอกตันยูหรือเปล่าทาไม่ร้องไม่ร้องก็ไม่รู้จะร้องยังไงมันร้องไม่ออกบ่างค่ะอาจารย์แต่อย่างข่าม่ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะทําไมเราเป็นคนแบบนี้ลูกยังบอกว่าถ้าแม่จะร้องแม่ก็ร้องนะก็ไม่ร้องค่ะอาจารย์เป็นแบบนั้นจริงจริม โยมกับมองว่าคนที่เข้าไปเขาโชคดีค่ะเขาไม่ทุกข์แล้วประมาณแบบนั้นแล้วก็กรณีน่ามองว่าเป็นธรรมดาค่ะถึงเวล า, า ต, ต้องไปก็ต้องไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใช่ค่ะอย่างกรณีของสุนัขที่บ้านโยมอะค่ะเขาเป็นไตต้องให้น้ําเกลือเขาทุกวันนะคะจันแล้วก็พอช่วงที่หัดใหญ่น้ําท่วมเนี่ยน้ําเกลือมันขาดก็ต้องหมอเขาเลยให้วันเว้นวันซึ่งโยมจะต้องให้น้ำเกลือกับเขาทุกวันจนก่อนที่วันเขาจะสิ้นน่ะ ยมคิดแล้วแหละว่าเขาหน้าจะไม่ไหวเพราะว่าห้าวันแล้วเขาไม่กินข้าวไม่กินอาหารยมก็คือว่าถ้าจะไปก็ไปให้สบายแต่ว่ายมนึกถึงคําของอาจารย์นะคะว่าเ อ, อการที่เราหยุดให้รักษาเราไม่ได้ทําร้ายเขาแต่ว่ายุติการรักษานะคะอาจารย์เพราะว่าให้น้ําให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเลใช่ค่ะยมก็คื อ, อแล้วเขาสะบัดน้ำเกลือก็ยมก็เลยถอด ไม่ไม่ให้ต่อวันนั้นไม่ให้ค่ะเพราะรู้ว่าถึงให้เข้าไปเขาก็คงไม่ไหวยมก็ mm hmm. พอเขาสะบัดหยุดยมก็หยุดให้น้ําเกลือค่ะอาจารย์วันนั้นนะคะตอนนั้นก่อนหน้าที่จะเสียก็ยมก็ให้เขาตลอดค่ะจนดูว่าวันนั้นเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาสะบัดแล้วยมก็ปล่อยค่ะอาจารย์เพราะว่ายังไงก็ดูแล้วเขาไม่น่าจะรอดค่ะอาจารย์ยมก็เลยบอกว่าเรายุดติเราไม่ได้ยื้อเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่ว่าถึงเวลาที่เขาจะไปก็อยากให้เขาไปตาม ตามวิถีของเข า, าค่ะจานยมคิดแบบนั้นนะคะอืมยมนึกถึงคำพระอาจารย์ว่าการถอดท่อหายใจไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเราแค่ยุติการศึกษาถึงว่าใส่ไปก็เท่ากับยือ้อเปล่าๆประมาณนั้นนะคะเข้าทุกบเปล่าๆอันนี้เอืออเขาเขาก็นั่งแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วว่ะค่ะจารย์แล้วพอเขาสะบัดเข็มหลุดยมก็เลยหยุดให้เขาอ่าคะค่ะอืมแล้วก็ตอนที่ลูกโทรไปบอกยมไปวัดค่ะแล้วลูกโทรไปบอกว่าเขาเสียแล้ว ก็มันก็นิ่งนะคะไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ตกใจหรือไม่ได้อะไรนี่นพูดได้สัตว์จริงค่ะอาจารย์รู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องไปค่ะ <ใน S 2> และ้วเราไม่อยู่เบรกคะ่ะยมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องไปอยู่ดีแล้วก็ยมไปอยู่บนเขารอบนี้นะคะยมรู้สึกว่ามันมีความสงบอยากอยู่ต่อแล้วยังแอบคิดว่าแล้วเราเห็นแก่ตัวไหมที่เราทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งครอบครัวไปอยู่แล้วก็พอคิดแบบนี้ปุ๊บ ยังไงเราก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่ใช่เราก็ต้องจากกันอยู่ดียมก็ถามสามียมว่าถ้ายมจะไปนานขึ้นใช้เวลามากขึ้นได้ไหมเขาว่าได้ค่ะเขาให้ไปค่ะจังเพราะยงงามนี้เวลาเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทาไมเขาไม่ว่าเราเา ห, านาหน็นนะคะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายทางร่างกายแล้วเราไปอยู่โรงพยาบาลนี้ เราต้องทิ้งเขาอยู่ดีมเนี่ยตอนที่เราไปอยู่โรงพยาบาลใช่โยมโยมก็แบบนั้นนะคะจันโยมแต่ว่าก็มีเพื่อนโยมนะบอกว่าทําไมทิ้งสามีไว้อยู่บ้านคนเดียวทําไมไปเอาเอาตัวรอดคนเดียวโยมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเก็เราไปรักษาตัวก็ต้องเอาตัวรอดก่อนเนะี่ยเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนใช่ค่ะจัย์ยมบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่า เราเลือกทางนี้เขาก็เลือกอีกทางหนึง่งก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกไงค่ะโยมก็บอกว่าไม่ใช่ทิ้งเขาเราก็ไปในของเรามันไม่ใช่เลือกมันเรื่องจําเป็นไมไ่สบายร่างกายก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่สาไม่ไม่ใจทุกก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวใจค่ะใช่ค่ะไมันเป็นม่ไเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนเลย เนคนวเวลาจะบไข้ได้ผลก็ไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เลยเทิ้งสามีทิ้งลูกไปใช่นาะจริงย้อนได้นะก็คํานี้เอ า, เอาพยาบาลแหละค่ะจะดูเขาหรือท่าฉันถ้าฉันตายหลับประมาณนี้อะค่ะเขาก็ต้อง อ, อยู่เอะค่ะประมาณนั้นค่ะจันแต่ยมก็ไม่ทุกกับที่เพื่อนว่านะคะยมยมเข้าใจเขาเขาปาัญยมเข้าใจแต่ว่ายมก็เลือกแล้ว่ค่ะจันเขาหลงเขาหลงทางเองความคิดของเ้ามันผิดนะ เขากลัวโยมหลงโยมบอกว่าไรเราลขาหลงโยมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่โยมก็เข้าใจเพื่อนปรารถนาดีค่ะาจาย์แต่ว่ามุมมองเราต่างกาันเราเลือกเดินแล้วเราก็ต่างกาันเพื่อนบอกว่าเอาสักมือไม่ได้เหรอสักวันไม่ได้เหรอบอกอยาเลยมันยาเลยยาเลยเขาปฏิเสธเข้าไปค่ะแต่ว่าไม่ต้องอธิบายเขาเยอะค่ะาจันเดี๋ยวโยม ยมีคาถามนิดนึงนะคะจย์เก่งใจคนนึงคือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะคะแล้วก็พอเราจะพิจารณากายใช่ไหมคะจย์แต่ว่าบางวันเรานั่งปุ๊บแล้วเรารู้สึกร้อนเหมือนเรายมไปเดินเดินจงกรมกลับมาแล้วจะมานั่งภาวนาใช่ไหคะจย์แต่ว่ามันเหมือนกับว่าไอร้อนละอูดอยู่ทั่วล่างนะคะยมก็เลยเอาความร้อนนั้มาพิจารณา แทนที่จะมานั่งดูลมแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้หลงหรือว่าหลงนะคะจันคือเราต้องเข้าใจเป้าหมายของการพิจารณาว่าพิจารณาเพื่ออะไรค่ะยอมยมเข้าเผาว่าพอมันร้อนใช่ไหมคะยมก็เลยเอาความร้อนมาเผาร่างกายว่าร่างกายจริงมันก็ไม่มีอะไรเดียววันหนึ่งมันก็ต้องทิ้งอยู่ดีมันก็หมดไปอยู่ดีะค่ะจันอืมค่กาพิจารณาไม่เที่ยงใช่ค่ะอืมแล้วก็บางบางังบางอารมณ์ก็คือนั่ง ภาวนาอะไรต่อไม่ได้มันไม่มีแรงบันดาลใจโยมก็กําหนดให้เหมือนกับว่าร่างกายนี้มันหมดหายไปเป็นเป็นใจรักอะค่ะหายสิ้นไปแล้วก็กําหนดให้เกิดแม้กระทั่งเรือนที่นั่งอยู่ก็พังทลายไปพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นธาตุดินคืนสู่ธาตุดินด้วยกันแบบนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นการทํางานบ้านอยู่อยังไม่ได้เจอของจริงต้องไปเจอโรคมะเร็งขึ้นค่อนเดี่ยทีนี้ก็ดูด้วยจะเผาเงินได้ต่ือจะล่ะ จะทุกข์กับมันหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ทุกข์กับมัก็แสดงว่าเราก็เราก็ปล่อยมันตายได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังยังหวงอยู่ยังไม่อยากให้มันตายอ <c oughs> แต่โยมก็ไม่ไปตรวจร่างกายนะคะอาจารย์ <c oughs> ที่เราพิจ า, ารณาซ้ไว้ก่อนไงซ้อมว่าให้ใจเรายอมรับให้ได้ถึงเวลาที่มันจะตาย <c oughs> ถงาจะรู้จริงแล้วไม่จริงก็ต้องต้องไปเจอตอนที่มันจะตายจริงๆอยู่ถึงจะรู้ มันเหมือนกันเราต้องซ้อมเอาไว้เรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นงานทำกันบ้างไว้ก่อนไงทำ บ, บ้าสอนใจให้ยอมรับให้ยอมรับความตายให้ได้แล้วพอเจอความตายแล้วจะเฉยๆได้ในโยมโยมก็อยากจะเรียนพระอาจารย์ว่าคําสอนของพระอาจารย์นะคะโยมในความคิดของโยมนะคะมันง่ายเข้าใจง่ายนํามาใช้ได้จริงแล้วก็นํามาใช้ได้ ด้แก้ปัญหาได้ตรงอะค่ะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ไมต้องซับซ้อนมันยมรู้สึกว่ายมโชคดีค่ะอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์บอกว่าจิตเดิมที่อาจารย์ตอบคุณจุ๊กไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ mm ่ะ hmm. อืมโอมันมันเป็นแบบนี้นี่เองยมเคย mm hmm. มีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเทศว่าจิตเดิมก็เหมือนน้าใสที่มีจอกแหนปกคลุมอยู่ก็แหวกจอกแหวกแหนออกไปแหวกไปเรื่อยๆยมก็เข้าใจแค่นั้นแต่พออาจารย์ตอบว่า เมื่อนั่งสมาธิแล้วเข้าสู่อุเบกขาจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นคือจิตเดิมมันก็อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ลายเพียงแต่เราไปไม่ถึงมันเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ยมก็เลยบอกอ๋อมันก็แค่ อ, อย่างนี้นี่เองค่ะจะมันง่ายค่ะอาจารย์ไม่ต้องอะไรซับซ้อนค่ะเพราะก่อนเพราะก่อนหน้าเียกคิดว่าจิตเดิมก็คือจะต้องย้อนอดีตไปกี่พบกี่ชาติว่าคำว่าเดิมนะเดิมแสดงของเก่าเนอะ โยมโยมก็เลยไม่รู้ไม่รู้จะไปหามันทําไมโยมก็ไม่จําเป็นต้องไปหามันอยู่ตรงนี้ก็ได้อดีชต<อ>าชาติก็ช่างมันเอาตอนนี้ให้ดีอดีตชาติจะเป็นยังไงช่างมันไม่ไปต้องรู้วค่ะอาจารย์โยมคิดถึงชาติเราเหตุการดับทุกข์ก็ดับยังไงเท่านี้ใช่ค่ะโยมก็บอกว่าแต่พออาจารย์เทศแบบนี้โอ้มันก็แค่นี้เองทำไม อ, อไมืก็จะไปหาทําไมต้องคิดให้ยากอะไรไปมันรู้สึกแบบ แั่นมืนมีนิทานในพุทธการในคนถูกยิงเลนลูกธนูแล้วมีหมอมาช่วยจะจะจะถานลูกธนูออกแล้วรักษาแผลให้คนที่ถูกยิงหองอย่าเพิ่งอยาเพิ่งคุณหมอช่วยไปสอบถามกับว่าคนที่ยิงนี่มันเป็นใครชื่ออะไรครอบครัคว ม, มันอยู่ที่ไหนบ้างถ้าไปหาข้อมูลนะไมามึงตายก่อนจะเป็นแขนนะคะค่ ะ, ค ะ, คะ ย, ม ย, มยมมอมๆๆมบอกเลยว่า คำสอนของพระอาจารย์ตั้งแต่ต้นที่โยมฟังมาคือมันมันง่ายค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นมันมันเข้ากับยุคสมัยนี้มากเลยค่ะโดยยกมาคือแบบโยมไม่เห็นอาจารย์จนคำเต่าเลยสักคำหนึ่งบวกโอ้โหมันมันรู้สึกแบบมันต้องแบบนี้มันไม่ต้องคิดสอนและภาษาบาลีโยมไม่รู้เรื่องก็ไม่มีบัดกรมต้องไปคิดแบบโอ้แบบนี้เข้าใจค่ะอาจารย์โยมเข้าใจมากเป้าหมายของคำสอนของอาจารย์ก็พวกไปที่การดับความทุกข์เท่านั้นแหละ ใช่ค่ะโยมก็เลยบอกว่านะตอนนี้ทุกในใจของโยมมันแทบจะไม่มีทุก์ในใจแบบเมื่อก่อนที่ขึ้นเขาไปอาบอบช้าทางกายทางใจไมมทุกก็ดีไม่มีทุกก็ไม่ต้องทําอะไรคือแต่ว่ามันเป็นกิเลส ข, ของเรายังอยู่ไงคะอาจารย์โยมต้องไปเคลียร์กิเลส ข, ของโยมมาหาอาจารย์อ่ายังยังยังไม่ทุกอยู่แต่ยังไม่โผล่ขึ้นมากันเงียแต่ว่าคือไม่ทุกกับคนอื่นแล้วไงคะอาจารย์แต่ยังทุกอย่างที่ก้านเอออยู่ค่ะอ๋อ อ่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโยมทำคือเมื่อก่อนทุกจากคนอื่นทําให้โยมทุกโยมจะแบบโยมโยมจะไม่มีแล้วนะตอนนี้ค่ะอาจารย์อ่มไม่ไม่สนใจนะใครก็จะด่าใครจะว่าเราเราไม่ได้โทษเขาว่าเขาทาให้เราทุกข์เราไม่โทษกิเลสโทษกิเลสของเราเองว่าเธอที่ทําให้เราทุกข์ก็คือกิเลสของเราคือความอยากของเราใช่ตอนนี้มันมันกลับมาที่เราหมดเลยพอไปนี่เป็นไงเอ๊ะเรากําลังเรากําลังจับผิดเขาเราต่างหากที่ผิดเราต่างหากเป็นกิเลสของเราต่างหากแต่มัน มันมันมันแบบปุ๊บอ๋อแบบนี้ค่ะแบบนี้มันคแก้ปัญหาทุกจุดไงค่ะแล้วก็แล้วใครจะมาให้เราทุกใจมันมันมันมันยังมันยังสตันอยู่ค่ะอาจารย์นึกปุ๊บไม่เป็นไรประมาณนั้นยังได้มีสติอยู่ค่ะอาจารย์อำมาทุกในใจที่เมื่อก่อนที่ขึ้นเขาไปนั่งร้องไห้น้ำตาตกแย่นี้ไม่มีแล้วค่ะไม่ไม่แค่อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันพยายามตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้แค่นั้นเองค่ะอาจารย์อย่าให้ปัจจุบันมันทุก ถ้ทุกข์ก็ต้องรีบดับมันใช่ค่ะยมยมเมื่อก่อนยมเคยถามอาจารย์ว่าทําไมคนเราชอบปรุงเรื่องทุกข์ทำไมไม่ปรุงเรื่องสุขและอาจารย์ก็ดุยมว่ายมหลงยมก็ได้คําตอบล้วจริงๆแล้วทั้งทุกขทั้งทั้งทุกข์ทั้งสุขมันปรุงได้หมดเลยแต่อยู่ที่เราปรุงหรือไม่ปรุงมันไม่จำเป็นต้องปรุงค่ะอาจารย์ยมก็ไปนะคะเรปรุงให้ปรุงให้สุขไม่เป็นเอารู้จะปรุงแต่เราเก่นทางปรุงให้มันทุกข์ใช่ค่ะเพราะว่าทุกข์มันมันเซนซิทีฟกว่าจริง ว่าเราว่าเราปรุงไปทางตายรักไม่เป็นใช่ไหมถ้าเราปรุงไปทางตายรักทุกมันก็ดับทันทีจิตก็สุขขึ้นมาทันทีตอนนี้ตอนนี้โยมเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์แล้วเพราะยิ่งโยมมาเจอปฏิจจสมุทบาทนโยมว่า อ, อ๋อถ้าเราจะเริ่มตัดจริงๆเราต้องตัดที่อวิชชาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับตายรักเนี่ยตัวตัดอวิชชาใช่ค่ะอวิชชามันชอบไปปรุงให้เกิดความทุกข์นะอันนู้นก็ดีอันนี้นก็ดีอป็นนิจจังสุขังอัตตา มันไม่ได้เป็นอย่างที่อวิชชาคิดทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอนิจจังสุขขังนัตตามันเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาใช่ไหมอ่าใช่อก็มันถ้าเราตัดอวิชชาได้มันก็จะไม่มีไม่มีการสังขารไม่มีอะไรปรุงตัดตรงนี้ปุ๊บมันจะจบมันไม่มีวงจรต่อได้ถ้ายังนี่นถ้ายังรักไปยอยู่ชอบอไปแสดงว่านี่เราอวิชชาน ะ, ะรักสามีรักลูกรักทับสมบัติรักอะไรต่างๆนี่เป็นอวิชชาเท่านั้นนะ่ะ แต่คําสอนของอาจารย์มันจะตามอยู่ตลอดนะคะยมไปเซเว่นยมยื่นมือจะไปหยิบน้ําต้มอาจารย์บอกว่าถ้ากินของหวานเพื่อให้ร่างกายสดชื่นมันเป็นกิเลสเอาหดมือลงพอไปอย่างนี้เฮ้ยมันจําเป็นไหมไม่จําเป็นหดก็เดินออกมาจากเซเว่เปล่าๆก็มีค่ะอาจารย์เดินออกมาตัวไม่ต้องจ่ายตังก็มีค่ะทุกวันนี้มันอ ม, มันง่ายนะชีวิตมันง่ายแค่นี้เองค่ะออถกตโอเคมีอะไรไหมแล้วค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะอาจารย์ครับ อ่คุณจุบตเจอจิตเดมเมื่อยังทอาถามจิตเดิเมื่อน่ไปหาไม่เจอแล้วยังน้วนามัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังหาไม่เจอเจ้าค่ะถ้าไปหาอดีตก็ไม่เจอไปหาอนาคตก็ไม่เจอเพราะมันอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคะเข้าใจคาว่าปัจจุบันนวจิตเข้าใจเจ้าค่ะจิต้องไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะเป็นจิตเดนขึ้นมา พอไปคิดปรุงแต่มันก็เป็นอดีตเป็นอน า, าคตขึ้นมาใช่ไหมคิดถึงเมื่อวานนี่มันก็เป็นอดีตแล้วคิดถึงพรุ่งนี้มันก็เป็นอน า, าคตแะพอหยุดคิดแป๊บอดีก็หายไปอน า, าคตก็หายไปก็เหลือแต่ปัจจุบันเจ้าค่ะอืมวิธีหาจิตวิธีหาจิตเดิมเนี่อยู่ตรงหยุดคิดนั่นเองใช้สตินั่งสมาธิเข้าฌานไปก็เ ข, เข้าสมาธิไปพอเข้าสมาธิได้จิตก็เป็นจิตก็เป็นปัจจุบัน หยุดคิดปุุงแต่งนะคะวันนี้หนูไม่มีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำไมไม่มีอ่ะก็กำก็กำคาดหวังอีว่าอย่างน่าจะมีคำถามดีๆมาป้อนอหนึ่งไม่มีเลวจิตเอาเอาไว้หนูฝึกจน จนจนมีคําถามแล้วหนูจะมาถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ต อ, น, อนนี้ไม่สงสัยอะไรไม่สงสัยอะไรอะไรนะเจ้าคะพรอาจารย์ไม่สงสัยอะไรตอน น, อ น, นี้ตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังพิจารณาฝึกปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ยังไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใ น, ในช่วงเที่ยวเลยไม่ไม่ค่ะช่วงนี้ช่วงสงท้ายปีเก่าด้อนรับไปีใหม่ คิดแต่เรื่องเที่ยวเรื่องเรงส่งท้ายม่เก่าวตอนนับนไปมอยู่หรือเปล่าไม่ไม่มีเจ้าค่ะไม่ค่ะโอเคขอบคุณเจ้าค่ะค่ะเรื่องปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับธรรมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวันไหนเป็นปีใหม่ปีเก่าเป็นเทศกาลิทศมาลไปสนใจใช่ไห่ะอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอย่างเดียวนะเจ้าค่ะโอเคจะไปปฏิบัติเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ อ้าถืออ่คาคนบุเป้เจนบุเปย้ยังทํางานเป็นพยาบาลอยู่เหรอการราชกาค่ะยังเป็นพยาบาลอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ทําได้เป็นปกติอยู่โอ้มันมันรู้สึกว่าลุยยิ่งกว่าปกติอีกค่ะพระอาจารย์ออดประเด็นคือได้ของดีจากพระอาจารย์เนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วง เพราะว่าหนูผาตัดเยอะส่วนใหญ่คนจะทีมงานจะสงสารนะคะพระอาจารย์เพราะว่าผ่าเปิดกระโหลกเยอะตอนสถานการณ์โควิดค่าพระอาจารย์หนุมีประสบการณ์การผ่าตัดตอนนี้หาเป็นบากระเต๋วเลยอมมันก็ไปฟูลอัพดูค่ะพระอาจารย์ไปหาหมอดูแต่ว่าดูผลจากที่แบบผ่าไปแล้วว่าเนื้องอกจะเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับร่างกายค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยเฉยๆะค่ะเพราะว่าได้ของดีจากการปฏิบัติทำนะคะพระอาจารย์หนูเลยเห็นของดีจากพระอาจารย์เนี่ยแหละค่ะจากการฟังทำแล้วก็ดูปฏิบัติอีกรอบนะคะพระอาจารย mm ์อ hmm. ตอนแรกหนูแบบปวดนะคะปวดทางที่ปวดตามมาทําไมยังแบบหาวิธีที่จะไม่ปวดกายอะค่ะพระอาจารย mm ์ hmm. คือพยายามไม่อยากกินยาเยอะกลัวเป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย mm ์ hmm. ไม่อยากฟอกไตยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยคุณถ้ามีวิธีสิ่งพอมาเจอพระอาจารย์ได้ฟังทำแล้วหลุดปฏิบัติทำมันดันแข็งแรงมากใช่ยาธรรมชาติใช่ค่ะ โ, <ช>โอ้ใช่ค่ะพระอาจารย์หนูกเลยบอกว่าธรรมะโอสดนีาาา่ไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเจ้าบอกเลยว่าโอ้เห็นของดีจากพระอาจารย์ะค่ะแล้วก็ได้เห็นกิเลสที่ความอยากต่างๆของหนูอะค่ะพระอาจารย์เลยแบบว่าป้าพระอาจารย์ เทศของจริงคือมันสัมผัสได้จริงๆจากสภาวะร่างกายที่มีปัญหาข่ะพระอาจารย์ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับทางโรคเกี่ยวกับยาทางโรคเลยนะคะพระอาจารย์แต่เป็นยาใจที่แบบสัมผัสได้จริงๆค่ะพระอาจารย์โดยมีแรงมากกว่าเยอะมากจนหนูแบบป๊อสทำไมแรงมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะจะต้องฟังทำกับปฏิบัติทำนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ยโมันจะมาพุทธกาลพระเจ้าไปเทศให้คนป่วยฟัง พอเทศเสร็นป่วยก็ลูกข้นมาเดินได้เลยใช่ไหมโอ้ค่ะพระอาจารย์หนูนเลยบอป้ายาใจเป็นยาที่มีจริงค่ะพระอาจารย์แล้วหนูแบบหนูตกใจตรงที่ว่าพอหนูฟังทำหรือปฏิบัติทำความฟันหนูหายอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบเฮ้เกิดจากอะไรตอนนั้นหนูสงสัยนะคะพระอาจารย์พอทีนี้หรือปฏิบัติไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บทางกายหนูก็เลยเอาไปซ่อมมุมปากนี่แหละค่ะพระอาจารย์แล้วดัน ปรากฏว่ามันไม่ค่อยเจ็บปวดตอนที่หมอผ่าวงมปากเนี่ยคะ่ะอาจารย์หนูเลยแบบป้อหนูเลยเห็นงดีเนี่ยค่ะอาจารย์หนูเลยหมอเลยให้กลับบ้านไว้ค่หนูก็เลยมาตักบาตเลยะคะ่ะอาจารย์ hmm. หนูก็เลยแบบป้ mm hmm. บอที mm hmm. ่เคยเห็นนะคะกําลังใจสําสคัญถ้ามีกําลังใจแนละ้วบาที่โรคภัยนี่ยมันที่มันหนั ก, ห น, กหนักก็เบาลงได้นะจริงคะ่ะพระอาจารย์หนูแบบป้อหนูไม่เคยเจอ ตอนแรกเราเรียนพยาบาลมาประเมินเพนสคอร์ผู้ป่วยเกกับทางด้านร่างกายนะคะพระอาจารย์ซึ่งมาเจอทางใจเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ยังตอนแรกหนูสงสัยนะคะพระอาจารย์ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทําไมใจสำคัญกว่ากายทาั้งๆที่เราเรียนแต่เรื่องกายอะค่ะพระอาจารย์แต่พอมาได้ฟังพระอาจารย์แล้วมาเจอจริงๆโอ้หนูเห็นว่าใจสำคัญกว่ากายจริงๆค่ะพระอาจารย์ก็ mm hmm. เลยได้เห็นของดีตรงนี้นะคะว่าปัจจุบาของดีธรรมะสดเนี่ยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยไม่ได้กังวลเกี่ยวกับร่างกายมากเลยไม่ค่อยได้ทานยาเลยนะคะพระอาจารย์กับมีแรงเยอะมากค่ะไม่ค่อยอเห็นื่อยอย่างพระเจ้ า, าตอนตอนเกิดมาใหม่ๆก็เดินได้เจ็ดเก้าเลยเห็น้ดูพลังพลังกายและพลังใจโอ้หนุ้รบบอกว่าพลังใจนี่สําคัญมากๆค่ะพระอาจารย์คือแบบต้องปฏิบัติหนูรบบอกสมาธิสําคัญแล้วก็ยิ่งฟังทำพระอาจารย์ก็เลยโอ้หนุเลยเพิเข้าใจวิปัสสนาค่ะพระอาจารย์ พอได้ฟังถามพระอาจารย์โอเป็นสิ่งที่แบบต้องต่อไม่ใช่แค่ว่าเราได้นั่งสมาธิเข้าได้แล้วมาใช้ได้แล้วอย่างนี้ย<ม>ค่ะพระอาจารย์<ม>ถึงว่าสําเร็จแล้วไม่ใช่ต้องฟังธรรมต่ออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลตอแรกหนูตอนแรกหนูลงตัวเองค่ะพระอาจารย์เห็นหนูผ่าสมองเยอะๆหนูมีเข้าสมาธิค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันไม่ค่อยเจ็บปวดกายมากจะได้ไม่ต้องขอยาเยอะค่ะพระอาจารย์หนู น, นึกว่านปฏิบัติได้ดีแล้วเจ็บจริงๆไม่ใช่ ยังเปิดตามมายังปวดกายอยู่พอหนุูมาปฏิบัติอภารกิจมันดันไม่ค่อยปวดเนี่ยแหาาละค่ะพระอาจารย์แล้วยิ่งผ่าซ่อมใบหน้ามันไม่ปวดเลยเพย็มตะกอน้อยมากมันก็เลยว่าป๊อปของดีทางใจค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เห็นคน ท, ทำมาโอสถของจริงแต่ว่าต้องพิสูจนเองค่ะพระอาจารย์อดีมากสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ไปที่ป็นสารกาต่อคุณสากรกาชายาัยนาทเป็นยังไงมาวัด ค่ะดีดไหมมาวันดีค่ะพอเอิญวันเกิดเขาแล้วเขาว่าจะว่าจะไปเที่ยวไหนลูกเลยพาไปวัด <Yeah. S 1> ค่ะแ้เขาเขาว่ายังไงบ้างโอเคเขาโอเคคือถ้าไปทำบุญที่วัดเนี่ยเขาได้ซ mm hmm. ื้อศีล น, น่ยได้แต่ว่าถ้าเขาบอกเขายังไม่ชอบนั่ง mm hmm. แต่เขาก็ฟังนะคะเวลา mm hmm. แบบฟังฟังซูมเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม mm hmm. แล้วก็ตอนตรง ตอนใบสองเนี้ยรูปฟังธรรมพระอาจารย์อะไรเงี้ยเขา้านอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดค่ะเอาดีช่วยเข้าวัดด้านดีสุดนะป็นคุณไม่กุศลค่ะค่ะก็ก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกให้ให้พิจารณาเรื่องความตายก็บอกเขาก็บอกให้เขาทำทานเพราะว่าตายไปเอาอะไรไปไม่ได้อะค่ะค่ะค่ะ ได้เพื่อนที่ดีนะได้คุณสาร ก, การเปนเพื่อนนะได้บัณฑิตโอ้ยไม่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นางวันลายุยูเพราะจริงๆชวนให้คนเข้าวันเนี่ยถ้าเป็นบัณฑิตถ้าั้นงถึงก็ชวนคนเข้าวานัน <c oughs> อยู่ฟังของพระอาจารย์มันเย็นดีไม่ค่อยอะไ ร, รอ่ะฟังสบายๆค่ะโอเคค<อ>่ ะ, ะคนนุณนิสาเชิญ น้ำกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ก <Yeah. S 1> ไ็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์มาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์มาชารมาชาร์จแบตเลยนะค่ะต้องมาชาร์จแบตค่ะพระอาจารย์แล้วก็อย่าลืมนั่งเลยนะค่ะล อ, องทำเยอะๆค่ะก็ได้บ้างแตบบ่อาจจะไม่ไม่ได้แบบเป๊ะเหมือนแต่ก่อนแต่ก็จะพยายามพยายามให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์นังเพื่อสมาธิฟังเพื่อบัญญานะ ค่ะพระอาจารย์ก็แอ บ, บทุกข์ใจนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เรื่องแบบไม่ไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มไม่เหมือนเดิมเท่าไหรม่มันผ่านไปแล้วดี yeah. ค่ะอยู่ในปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ไม่ลืมคำสั่งสอน ข, อ, ของพระอาจารย์ค่ะ S <S อย่างเราลึกถึงคําสั่งสอนพระอาจารย์เสมอค่ะพระอาจารย์อค่ะก็ไปปฏิบัติบ course, ูชาค่ะพระอาจารย์อค่ะค่ะคุณมรดกาต่อมรดกากลับน้ำมัตการเจ้าขาพระอาจารย์มียังไงมีอะไรไหมวันนี้ปฏิบัติอย่างอื่นเจ้าขาพระอาจารย์ก็ก็มัน มันไปเจอสภาวะที่มันกิเลสบรรนานะครับพระอาจารย์พเพราะกเลสาขัดเกลามันด้วยปัญญาใช้ตาลรักคอยขัดเก่าไปเลยตรงนั้นยังเดินไปไม่ถึงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าการขัดเกลว์กันด้วยใช้ปัญญาตัวนี้เนี่ยค่พระอาจารย์เพราะว่าลูกทําแล้วมันทําไม่ได้เพราะว่าระยะเวลามันประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ บางครั้งท่ามันหนักหนักมันเอาไม่อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่เพียงแต่ให้มันรู้ทันแล้วก็เอาในแต่ละวันทำในแต่ละวันให้เต็มที่แค่นั้นค่ะพระอาจารย์ส่วนไอ้ตัวกิเลส ท, ที่มันปลูกขึ้นมาหนักหนักก็จะทำให้รู้ว่าตัวไหนที่เราไปขรุกกับมันมากตัวนั้นมันจะติดเราแล้วก็ตามมา แล้วก็ตามมากว่าจะแกะออกได้นะครับพอาจารย์มันยากมากทอมันยากบางครั้งเกิดความเหนื่อยความทอ้อเกิดขึ้นก่ช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ว่า ก, ก็ก็พยายามเจ้าค่ะอาจารย์ก็พยายามอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรดังนั้นพอช่วงระยะเวลาที่ว่าพอตื่นขึ้นมาตอนตีสองตีสามก็มาเดินจงกลุมบ้าง นั่งสมาธิบ้างแต่ว่าก็มันก็ไม่สงบกับคนบางทีก็เรามากังวลกับเสียงเสียงของคุณพ่อค่ะผูาจารย์บางทีพ่อจะลุกขึ้นฉี่บ้างเราก็กังวลเพราะว่าไปมุ่งกับเสียงแต่ปกติแล้วนั้นก็พยายามทํากับใจตัวเองว่านั่นคือพ่อถ้าสมมุติว่าเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆนั้น เราต้องเอาตัวเราให้อยู่แต่เอาไม่ได้เท่าครับอาจารย์ขอความชินแนใจผ้าอาจารย์ว่าต้องทําอย่างไรในจุดนี้ตั้งสตเพิ่มขึ้นตั้งสร้างสติตสสสพุโทโธพุธโทโธไปเลยยังไม่ต้องคิดอะไรพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดนะความคิดชว่ากิติปิโสแล้วก็ยังไม่ลงเลยครับอาจารย์ก็ลองพุโทโธคําเดียวนูเถอะเท่าคระบอาจารย์เดี๋ยวลูกจะจะพยายาม นำคำสอนนั้นมาปฏิบัติอีกเล้ากับพระอาจารย์อเก็ถือว่านี่เป็นคำชี่แนะที่ดีแต่ว่าก็ต้องมันอยู่ที่วิธีการกระทำถ้าที่เราไม่ทํามันก็ไม่ไ ม, ไม่เกิดผลขึ้นมา <Okay. S 2> น้องท่องไปคําเดียวล่ะอย่าไปสนใจกันเรื่องอะไหยุดคิดให้ได้ทถ้าพัางแล้มันใจจะเบาขึ้นใช่มาลองอยู่แล้วพระอาจารย์มันมีช่วงหนึ่งบางครั้งที่ว่ามันฮึดขึ้นมาได้ นั่งต่ออีกสี่นั่งต่ออีกนั่งต่ออีกแล้วพอนั่งต่ออีกพวอมันก็ปึ๊บเออมันก็สงบดูดีดิแต่ว่าเขได้แป๊บหนึ่งก็มันมาอีกแล้วมันมาควนใจอีกแล้วพอมันมาควนใจต้องขยันต้องขยันสู้กับมันมันมาปั๊บแล้วก็ต้องพูดโทรศัพมันเลยเจ้าค่ะอาจารย์ตักโอเคนะตักไม่มีแค่นี้ละคะาา่ะว่าอาจารย์โอเคถ <ขา S 2> ้าติดเจ้าค่ะว่าเชิญทาน วันนี้ไปปฏิบัติธรรมเลยเส้นสายช่วยเขาเ่ยวันนี้หนูหนูลางงานค่ะพระอาจารย์ อ, นนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านปฏิบัติที่บ้านอะค่ะรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นี่มันสงบสุขอะค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะได้ได้กําลังสมาธิดีค่ะอืมปฏิบัติที่ไหนที่นี่เลยที่กําลังนั่งอยู่นี่เลย ค่ะที่ที่บ้านตัวเองนี่แหละค่ะอาจารย์ดีไม่ต้องไปไหนนะบ้านเราดีที่สุดแล้วใช่ค่ะเพราะวีเที่สุดไม่ต้องยู่กับใครก็แค่ปิดประตูห้องเท่านั้นเองก็เป็นวัดขึ้นมาแล้วนะใช่แล้วค่ะก็หนูก็มีพอดีโชคดีที่หนูมีห้องเหลือไว้ค่ะกิเลนกิเลนมันชอบเราถ้าเราไปนู่นไปวัดนู่นไปวันนี้แต่นัดที่ดีอยู่อยู่ในบ้านของเราเองเรากลับไม่รู้ใช่ค่ะแล้วก็ ลูกหนูหนูก็ปล่อยพอเราเขาโตเราเขามีชีวิตของเขาเองเขาไปไหน ม, มาไหนก็สบายใจแล้วค่ะในระดับหนึ่งนะคะประจาจย์ปล่อยได้แล้วนะค่ะหนู<อ>หนูคิดว่าหนูหนูคิดว่าหนูปล่อยได้ค่ะอ่านีแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วหนูก็มีปัญหาเดียวกับคุณดิศยานะคะเพราะว่าคุณอาหนูนี่ก็สุนัขที่บ้านเขาก็เสียชีวิตเลี้ยงมาสิบสี่ปีแล้วก็ หนูเองเนี่ยลูกแมวที่หนูไป rescue ไว้อะค่ะหนูก็ไปที่เชลเตอร์ animal shelter เ้วเหมือนเราพยายามหาบ้านให้เขาคนที่เขาติดต่อมาเขาก็แคนเซิลแคนเซิลทุกคนเลยอาเงี้ยค่ะพ อ, เ, อเขาไปที่เชลเตอร์แล้วเราก็รู้สึกสงสารเขามากๆคะกลัวว่าเขาจะไม่มีคนมารับเลี้ยงกลัวว่าช่วงสองอาทิตย์นี้ เป็นช่วงหยิบยาวเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะต้องผ่าตัดทํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คือคือเป็นทุกข์ไปกับความเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะครนี้กมาหนูก็เริ่มพิจารณาแล้วว่าหนูห่วงตรงไหนหนูห่วงอะไรเพราะว่าร่างกายเราก็คืออาการ32ร่างกายเขาก็คืออาการ32มันไม่ควรจะมีอะไรต้องห่วงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแต่พอ มันหายไปวู้บนึงแล้วเดี๋ยวอีกปั๊บหนึ่งมันก็กลับมาใหม่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความรู้สึกว่ากังวลด้วยความรู้สึกคิดถึงมันก็กลับมาใหม่หนูก็รู้สึกว่านี่มันคือทุกข์นี่มันคือทุกข์เราจะทำไงให้เรากําจัดตัวนี้ออกมาได้เงี้ยค่ะก็คือพิจารณาคราวนี้หนูก็พิจารณาเป็นวงจรปฏิจจสมปัตยเนี้ยนะคะแต่ว่าพอขาไปเนี่ยมันมันอาจจะพิจารณาด้วยสัญญาค่ะมันเลยเหมือนกับมันไปง่ายๆแต่พอพิจารณาขากลับเนี้ยค่ะ มันก็เหมือนมีสติเข้ามายับยัางนิดหนึ่งเราก็เลยรู้สึกตัวว่าโอี่เราทุกของเราติดอยู่ในช่วงทุกช่วงเลยของในวงจรคะไม่ว่าจะเกิดตันห้าตันหาก็ใช่เวทนาก็ใช่สัญลักษณ์ยตนาพัฒนานามลูกติดบททุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิญญาณสังขารพอพิจารณาตลอดกับสายกลับมาเราก็รู้สึกว่าอือนี่เรานี่ขณะเราปฏิบัติทําเรายังรู้สึกว่าเราติดทุกตรงเลย มันก็แต่มันเริ่มคลายนะคะพระอาจารย์พอพอพิจารณากลับมาไปไปมาๆอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดจากความคิดที่เราไปปรุงแต่งแต่เราสามารถหยุดได้ทุกทุกส่วนเลยไม่ว่าจะหยุดทั้งจากตัณหาหยุดจากเวทนาหยุดจากสัญญาหรือหยุดหยุดหยุดจากจิตสังขารอย่างนี้ยแต่เราไม่ได้เราปล่อยให้มันเกิดขึ้นถูกตลอดใจเลย แต่พอพอมันคลายลงหนูก็ว่านั่งสมาธิเอบอาจารย์แล้วมันก็หนูก็รู้สึกว่าหนูดีขึ้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้ตัดไปทั้งหมดนะคะเหมือนเหมือนเราก็พิจารณาว่าไม่ว่าการพัดภาคจากสิ่งที่รักที่เจริญใจที่เราท่องๆ่องกันมาทุกวันมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพิจารณาให้มากกว่านี้มากกว่านี้อะค่ะเหมือนสมาอุเบกามันยังไม่เกิดวิจัยไรยังไม่ยอมรับมันมันคลายลงค่ะอาจารย์มันคลายลงไม่ มันยังมันยังเป็นห่วงมันยังรู้สึกว่ายังไม่ยอมรับความจริงไงค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะมันยังอย่งงางนั้นอยู่ค่ะแต่ ม, ม, มันดีขึน้นก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆยิ่งได้ฟังธรรมะวันนี้หนูก็รู้สึกว่าใจหนูคลายคลายขึ้นมากทีเดียวค่ะพระอาจารย์มากเราก็ทําอะไรมากไม่ได้เราทําได้ดีที่สุดที่เหลือจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยอะค่ะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องขอพระอาจารยค่ะ นี่หนูก็ไม่มีคําถามกับพระอาจารย์หนูก็มาปฏิบัติธรรมแล้วหนูก็รู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่เรียนประจำที่ปฏิบัติธรรมเลยเออยังค่ะเขายังไม่มีโปรแกรมค่นะแต่มีพี่ที่เอวัดไทยที่หนูเจอเมื่ออาิต ท, ที่แล้วนะคะเขาตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติช่วงปีใหม่อะคะ่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่ เ, เพราะว่าพอดีหลวงตาที่วัดะะท่านอภิษฐแล้วเข้าโรงพยาบาลคะ่ะ มากอะค่ะมากร้อยกับหนึ่งปีแล้วอะค่ะอืมก็พี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติธรรมหนูก็บอกเขาไปส่งข้อความไปเมื่อชเช้านี้บอกว่าเอาไว้หนูไปร่วมเป็นวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆคระผ้าจารยนนี่นะปฏิบัติที่บ้านเราดีสุดแล้วใช่ค่ะผ้าจารนพอฏิบัติจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะไปตรงไหนยังไงก็ได้ทํากี่วงนี่ค่ะผอาจารย์วันนี้ก็ ป้าอจารย์ทัดแขนแข็งแรงนะคะจ้าสาธุผู้ชมครับอ่ามาจากคนอาจารย์พร ม, มิลัยเด็กใหม่แล้วคืนนี้คิวยาวกำลังมาสการค่ะเข้าตามเวลาเดิมค่ะวันล้วแต่จทำมัจัดสารกันจะได้เข้าตอนไหน Merry Christmas ะอาจารย์จับไ <laughs> ดเ้เวลาพอดีเลยค่ะเห็นแม่ชนะกับเพื่อนๆมาเห็นก็ส่งรูปมาให้ดู คณะใหญ่ฮะคณะใหญ่20คน20กว่าคนครับก็ห้องของไซมอนส่วนใหญ่จะเป็นชุดไซมอนครับก็ได้ก็ได้ทุกทุกคนเลยนะ ชุดจากแต่ไซมอนแดนนี่พวกเริ่มนอนขึ้นมาเรื่มพี่เลยเข้าได้หมดเลห้างค้างกันุบสิบปีดีเป็นคนมีอัธยาศัยไวทีเข้าได้กับทุกคนก็ไม่ได้เจอหลายคนนานมากทีเดียวะอืบก็ ก็ดีใจที่ทุกคนแข็งแรงดีให้ทุกคแข็งแรงกันทุกคนนะใช่ดีคงจะอยู่ได้เกินร้อยปีทุกคนเยว <c oughs> ใส่รอร อ, รออะไรอะไรเทียมอะไรพันปันเทียมอะไรพใจเทียมอ <c oughs> ะไรพระอาจารย์สบายดีนะฮะใช่สบายดีแต่เช้าที่แล้วไม่ได้เข้าเลยคะ่ะเออได้ไม่สัไม่ว่างเลยเป็นงานมูลนิธิซะ ค่ะตั้งคืนค่ะลืมไปไม่ได้แรงงานค่ะเขาจะคุยพระจันทิ้งไว้เรื่องเกี่ยวกับแยกกายแยกแยกจิตนนะคะแต่วันหลังก็ขอรับฟังเปื่อคุณมวีจะใส่เข้าไปในบันจุกได้ก็น่าจะน่าสนใจก็เรื่องสมาธิไงไปการแยกกายแยกจิตในเบื้องต้น แล้วพอเราออกจากสมาธิมันก um ็ใช yeah. ้ป We ัญญาแยกต่อพอร่างกายไม่แล้วเราเป็นจิตเราเพองแต่เป็นผู้ใช้ร่างกายอย่าไปทุกข์กับมันมันจะเป็นเราแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ค่ะก็แยกกายจิตก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายก็ไม่มันกายตัวเราเองแล้วกายคนอื่นด้วยนะคะใช่แยกเพื่อทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมัน โอเคไม่ต่างกันต่างันะการศึกษาอ่าอาจารย์กันหมอโรกตาต่อหมอศัตวแพทย์นี่ก็เรียนหกปีเหมือนกันนะมาสการมาสการพรับเรียนหกปีเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะอือเท่าว่าเป็นแพทย์เหมือนกันหรือเปล่าค่ะเป็นแพทย์เหมือนกันนะปริญญาเท่ากันนะค่ะอืาสกาเป็นแมสบายดีนะ สบายดีครับพระอาจารย์แล้วหลังปีใหม่จะขึ้นเขาค่ะจังเที่ยวเลยยังเลยค่ะเดี๋ยวพอดีสามสิบหมอน้าตรวจอยู่ค่ะเลยว่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปจองค่ะ <c oughs> ดีทำไมาชอบขึ้นเขาเลยเพราะมันสงบดีอะค่ะเยอะสงบมากกว่า อ, อยู่ที่บ้านนะที่บ้านหนูไม่สงบเลย ต, ติดถนนใหญ่ติดถนนบรรยาการ <c oughs> ไม่เหมือนกันะ ไม่เหมือนการกระทางผ่านแล้วก็ฝุ่นก็เยอะด้วยสวืส่วนนิดช่วงหลังเนี่ยมันเป็นทางที่แบบพอตัดถนนเยอะๆเข้ามันกลายเป็นทางรัดออกถนนบายผ่าน <ไป S 1> แล้วฝุ่นเยอะมากค่ะอืพราะที่เป็นถนนลาดยางนี่ยังมีฝุ่นนะค่ะอโอเคมีอะไรไหมคืนนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําคถามค่ะพระอาจารย์ต้องมาร่วมฟังธรรมค่ะ ตอนนีุ้การยันถอดตอเทปอยู่ว่าถอดเทอยเ อ, ถ อ, ท อ, ยอถอดค่ะตอนนี้เหลืออีกวันเดียวก็เป็นปัจจุบันแล้วค่ะพระอาจารย์นายทันหมดแล้วนะค่ะใช้ใช้ใชใชแบบฟังออกไม่ได้ใช้ g ู o g l e ช่วยนะค่ะฟังแล้วก็พิมพ์ค่ะนหนู เ, เริ่มอาจารย์เริ่มเทศสามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีอมันก็เลยทำให้มันน้อยหน่อยนะค่ะก็ใช้เวลาละหนึ่งกันค่ ะ, คะ ก็เหมือนได้เข้าเรียนเลคเชอร์ไปแต่ก็ยังได้ได้สาระเหมือนเดิมนะถึงมันจะสั้นแต่มันก็ไม่หยุ ด, ดีดยตรงไปตรงมานะค่ะก็ครบทวนเหมือนเดิมค่ะอืมเราส่งไปให้คุณเชงต่อนะค่ะส่งไให้ตอบแบบว่าทําหนังสือหรือใครอยากจะได้วันไหนไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราส่งไปให้คุณเลยค่ะโอเคอนุโมทน า, านเป็นการทําบรมทานนะ ให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงค่ะโอเคสาธุสาธุขอบคุณค่ะคุณคุณิณองอาจารย์คุณคุณงิงทำงานลูกศิษย์สองตัวนั้นหลับแล้วปะหลับแล้วค่ะอาจารย์อก็อยังต้องไปโรงเรียนอยู่นะวพวกนี้ต้องไปโรงเรียนนะ ค่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนคะ่ะเห็นที่สมัปปครเต็มู่ไปเรียนนะคะวันนี้มีเด็กต่งตัวสันตคอรตอยู่คนใสาบายก็เลยถ่ายรูปคู่กันไว้หน่อยก็ดีใจค่ะสั่งมาให้แล้วก็ใส่ไปพรุ่งนี้ค่ะนะอขอบคุณเลยกนะ็ตามตามแบบแผนี้ไปตามของแบบีผของโลกเดี๋ยวนี้เป็นพูดเป็นอะไรก็เฉลองได้หมดนะค่ะ เพราะเไม่ไดปเข้าโบสถ์ฉลองต้นฉลองที่ส่วนการค้ากันกลัเข้าไปก็ดีใจกันประเจอได้ใส่ชุดไปอะค่ะพระอาจารย์อืมค่ะพอดีวันนี้ก็ไปไปที่นะ ย, ะ ย, ยองปรีเวนต์ต่อไปครับทีก็เลยไปอ่าไปวัดแล้วก็ไปก ร, ราบอ่าแล้วไปวัดเขาปูที่เป็นวัดเก่าแก่อ่าเด็ก เขาพาไปครับอาจารย์หนูก็ไม่เคยไปสักทีแล้วก็ไปนั่งสับคนอื่นเขาดัมแล้วก็หลับตานั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่าไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนตกเขาวงไปแต่หนูก็ยังอิจิวิโซอยู่นะคะสองรอบพ่อลืมคือมันเหมือนเย็นๆนะคะพอาจารย์ว่าตอนเช้าก็นั่งแล้วตื่นตาขึ้นมาโอ้ยสบายจังเย็นจังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะที่ใดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ ก็ดีเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีมากค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอาจจะมีสิ่งหักดิสิทก็ได้นะใช่ค่ะมีองค์ดําเพราะว่าวัดนั้นเนี่ยเป็นสร้างสมัยงเมัยรัชกาลที่ห้าพระอาจารย์เป็นโบสถ์เก่ามากผุพังเลยค่ะพระอาจารย์ก็มีคนที่เขาไปกล่าวว่าโคตรดีที่ได้มาไปดูมันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นเปลี่ยนแปลงที่เปลนบรรยากาศของเก่า คือโบสถ์เก่าแบบนี้เลยตั้งแต่สมัยนู้นเลยค่ะอาจารย์เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะก็จํพางเล็บพางรีครับพ็เข้าไปแล้วก็กล่าวสวดมนต์แล้วก็นั่งก็หลับตาไปเลยแล้วเรียกว่าเทําไมนั่งนั่งนานจังแต่ความรู้สึกของหนูมันคือเหมือนห้านาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยท่องทีหลุดตาขึ้นมาแล้วนึกว่านิดเดียวพว้เวลาผ่านไปเร็วมากเลย ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเหมือนมันเบาเลยๆก็อ่ะปล่อยไปแต่ก็คือยังอยู่กับบริษัทบริกางตัวเองครับอาจารย์แต่พ อ, อ ค, ค่ะแต่ก็มีแต่ก็มีที่ตัวเองทำไอ้นี่อยู่ครับพระอาจารย์ครับเราอาจจะเป็นห่วงเขาก็ได้ฟุตเคดในบ้านนะคะพ่อสามีแม่สามีที่หนูดแปลมาเนี่ยหลายสิบปี ก็ตามภาษาดื้อนะคะอาจารย์ 9-11 มัเขาไม่ไดื้อหรอเขาไม่ไดือ้ อ, อ, อหรอเขา อ, อยากจะอยู่ของเขาแบบนั้นรอ เ, อเราไปไปบังคับเขาเองเราไปดูบังคับเขาว่าอาจารย์ว่าน้ําไม่มาเอาบันไดปีนไปตรงปั๊มน้ําแทงน้ําหนูก็ตกใจแล้วเอาหัวหัวที่ลงไปในน้ําอะค่ะเอาเอากมาปีนสองหนูมาเอาทำไมทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอือ จะหนูก็เลยบอกว่าขึ้นไปทำไมน้ำมาไม่มามันก็เป็นเรื่องของน้ำน้ำมันมีอยู่แล้วที่เราพูดเนี่ยเพราะว่ากลัวตกลงไปแล้วไม่มีใครเห็นนะคะพระอาจารย์เป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่พอใจก็อ่ะอามาอีกก็ไปตอบตะปูตรงหัวที่จะเปนอน ไปขัดไปทาไมเวลางหงายหลังลงมาแล้วก็หัวทิ่มแล้วก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาลบากทําอะไรอะไรก็ไม่ได้ก็มานั่งคิดอ่ะจะทําอะไรก็ทําไปเถอะวันช้าเนื้ออยากจะตกจะกระจงจักรยานทามไปทาไปจ<อ>บก็เลยว่าอย่างเงี้ยเมื่อและที่ที่จะพูด ก, ก็เลยแบบแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะกลายเป็นว่าความห่วงของเรานะ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเราห่วงใช่เขาแบบลำธารความห่วงของเราเนี่ย หนูก็อ่ะแล้วแตกไปแล้วกันใค ร, <ห>รตัวมันดีกว่าค่ะป้าจารย์หนูก็เลยอ่ะตัวใครตัวมันคือเอาไปบอกมากหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความห่วงพอคิดว่าเราไปดูไป ว, ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยขบขาแค่ก็อ๋อะอะไม่เป็นไรเฉยเฉยก็มไม่อะไรได้ก็กินจะจะทําอะไรก็ ก็ทําไปดูดูดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็เขาหยุดกันว่าไม่ต้องมาพูดให้หนูนะคือคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นลูกต้องมนดูแลเขาบอกอย่างนี้ซึ่งหนูก็ดูแลเขาเนี่ยหลายสิบปีสักสามสิบปีนะคะหลายสานสามสิบกว่าปีแล้วซึ่งมากกว่าพ่อแม่ของตัวเองหนูก็บกอย่างนี้หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรดูแลคเดี่ยวครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะ ทั้งเด็กทั้งคนแก่เยหลายหลายคนเขาก็บอกว่าเหมือนหนูไม่ได้ทุกข์ร้อนสบายยังครูยังดูสดใสสวยงามหนูหกฮะหนูก็บางๆไปอย่างนั้นแหละอะไรเกิดก็ันไปาราคาไปจาล้วก็ไม่ได้คิดไปได้คิดอะไรมากหนูก็ได้ธรรมะอสถที่มาช่วยประคับประคองตลอดเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนวันนี้ก็มี Facebook เฟซบุ๊กเต้งขึ้นมาเป็นธรรมะบนเขา เจ็ดปีแล้วหรอที่หนูไปหนูไปเจ็ดแปดปีแล้วเหรอที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็ยังงงว่าผ่านไปเร็วมากเลยตนูยังไม่ไปไหนมาไหนนะได้แค่นิดเดียวเองอะไรประมาณก็ดีก็ไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็จะขึ้นเขาเหมือนกันกับพระอาจารย์เดี๋ยวหาเวลาก่อนกเขาว่าจะข้เขาเพราะตอนที่บ้านหนูกลวว่าหนูจะไปนู่นไปนี่ แต่เวลาหนูตัดสินใจหนูก็ไปเลยหนูก็ไปขาเ ก, ก็ไม่ได้ขาบอกเขาลงหน้าเพราะว่าเราไปหนูก็ไม่ไม่ได้กลัวหรืออะไรอ่ะยังไงอะครับคือมีคำถามหรือคำถามต่ดอาจารย์พอเวลาไปทํางานเพราะว่าหนูขายบ้านใช่ไหมคะพอเหมือนเราไปเอาบ้านเก่าหรืออะไรย่างเงี้เด็กเขาออกมาเขาจะรีบลงมาเขาบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นอะไรเหรอหนูบอกว่าเห็นอะไรจ้าของบ้าเขาไม่ให้ขายนบ้านหแบบนี้ หนูเห็นเขายือนอยู่ยื <c oughs> ก็ลูกเขาปจะเป็นคนขายใครยืนหนูเห็นหนูก็คิดได้อ๋อโอเคเขาจะเห็นอะไรนู่นนี่นั่นตลอดแต่หนูไม่ค่อยจะเห็นอะไรหรอกค่ะอาจารย์แล้วหนูก็เฉย <c oughs> เป็นคนแบบนี้มาตั้งนานหนูก็ว่าอ๋อเหรอเห็นหนูเขายืนเหมือนแม่เขาไม่ให้ขายเอาก็ไม่เป็นเอาก็ไม่เป็นไรหนูกอก ดไ <Okay. S 2> ไม่ได้พูดอะไรมากโ okay. อเคสรุาาหนะปหน่อยนะเวลามันใกล้จะหมดนะค่ะปราจาร์ก็มไม่มีอะไรค่ะโอเคอ้าวสาธุติค่ะค่ะคุณสุดาเชิญคงต้องสรุปหน่อยนะเวลาใกล้จะหมดนะกลับนมัสการค่ะอาจาร์อ่ามีอะไรนะเข้าประเด็นเลย <c oughs> อืเงั้นขอถามสั้นๆว่าเ อ, อ่อความพัดพลา ค, ค่ะอาจารย์มันมันเป็นทุกข์ใช่ไหมคะพันธารมันเป็นทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่พัดพลาดนะถ้าเราไม่ได้อยากให้มันพัดพลาดแล้วมันก็อก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราอยากให้มันพัดพลาดแ ล, ล้วเกิดการพัดพลาดเราก็จะไม่ทุกข์เลยก็จะดีใจอยู่คนนี้มานานแล้วเบิดมันเหลือเกิน พอมันไปได้แล้วโอ้รู้สึกสบายมันอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราละกอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาพัดผ่าจากเราไปพอเขาพัดผ่าไปเราก็เลยทุกทุกเพราะความอยากของเราคือสุดสุดยังไงก็มันจะไม่ไม่สุขกับการพัดผ่าใช่ไหมครัอาจารย์มันแค่ไม่ทุกใช่ไหมคะพระอาจารย์คือการพัดผ่าที่มันทุกเพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่พัดผ่า ก, ก็ยังนะ เรารักอะไรเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการสิ้นสุนลงเพราไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนเขาหรือมันก็ไปพร้อมกันะะอประมาณนี้ค่ะอาจารย์เป็นไงถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้ว เ, <ๆ>เราต้องมีการพ้าทาจากกันเป็นธรรมดาอืม พอดีหนูก็ดูพอดีพอเห็นว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเช่นพันจารก์ก็ก็ทุกน้อยลงแล้วก็ไปได้เห็นว่าการมีความเจริญก็มีเสื่อมเนี่ยแล้วพัอจาร์สอนว่าถ้าไม่มีแปลว่าแค่ตอนแรกหนูจะทุกข์อยากหนีจากภาระทางโลกแต่เพราะฉะนั้นบอกว่าการไม่มีเนี่ยมันแปลว่าแค่ไม่ยินดีถ้ามันเจริญก็แค่ไม่ยินร้าย ถ้ามันต้องเสื่อมผัดพลากก็เลยใช้วิธีดูอารมณ์ได้ได้เรื่อยๆแต่ว่ามันมันเยอะค่ะพรนจารย์ก็เลยมาสงสัยอะว่าสุดท้ายเราแค่เฉยกับแค่แค่รู้ว่าผัดพลากแล้วก็เฉยใช่ไหพอาจย์ไม่ต้องอไม่เดือดร้อนไม่ต้องไม่เดือดร้อนเขาจะไปก็อย่าอย่ า, ยาไปอยากให้เขาอยู่ค่ะมันจะเหมือนความเจ็บใช่ไหมพรนจย์ใช่แบบเ <จะ S 1> ย, ย, ยทุกอย่างาต้องปล่อยวางให้ได้หัด มีอย่างเกิดแล้เดี๋ยวก็ต้องดับเป็นธรรมดาถ้าเราเผลอนิดนึงเราก็จะถูกกับการทักทายแต่พอพอมีสติปก็จะเห็นอารมณ์ที่ทุกแล้วก็วก็ปล่อยมันเฉยๆถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกขถ้าเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอดีอยากให้ใจไม่ทุกเลยกับกับการทักทายค่ะจ้าก็นั่หละก็ต้องมีปัญญาตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาว่ามั น, เ ป, นเป็นเป็นเสียงชั่วขา่าวค่ะ คพอเห็นอะไรก็ต้องบอกเป็นนนนีจจังได้เป็นของไม่เที่ยวหรือวต้องมีการพลาดพาดจากกันเป็นธรรมดาอช่ค er ่ะพระอาจารย์หนูมีอีกได้ได้ตามสบายเลยได้นะพระอาจมันมีคําสอนที่พระอาจารย์อ่านแล้วมันช่วยให้หนูหยุดคิดอยากได้คือมันมีเรื่องมโนกรรมพระอาจารย์ค okay. ือกายวัชิกรรมเนี่ยอเออเกิดวิบากนี้เข้าใจไหมใช่แต่มโนกรรมเนี่ยพระอาจารย์บอกว่า ความคิดที่ทำให้เรากังวลเนี่ยความกังวลก็เป็นทุกความคิดที่ไม่ดีเป็นสุธทยเป็นอวิชาเป็นปัจจัยสังขาราอยากทราบว่ามันแต่ว่าแค่เราคิดไม่ดีมันจะทำให้ต้องกลับมาเกิดนะคะพระอาจารย์ก็อยู่ว่าเราคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องของความอยากความอยากนี่เป็นตัวที่จะดึงให้เรามาเกิดเราต้องหยุดความอยากทั้งหมด ถึงแม้ไม่จะไม่ไม่ไม่มีกายวจีกรรมก็ใช่เวลาเวล้วจิตไปมันไม่อด้เากายไปด้วยเหมือนเวลาความอยากไปความอยากเน้ถ้าเราไม่มีความอยากมันก็ไม่ไปไหนไอตัวที่ทําให้ใจไปต่อก็คือตัวความอยากนี่คําสอนนี้พอนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ามันทําให้หนูหยุดคิดได้ดีชะงักเลยทันทีเพราะว่าไม่อยากกลับมนคิดอีกแล้วใช่ังนัอย่าไปคิดอยากกับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวง ก็มีสามอย่างอยากเสีย ง, ยงรูปเสียงกลิ่นลดอยางมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยางไม่เป็นอค่ ะ, คะแล้วก็ราย ง, งานแค่ว่าช่วงๆพอดีหายไปนานโชงแผ่นดินไหวเมื่อเมื่อกลางปีอาจารย์เหมือนเหมือนได้ทําข้อสอบดีอยู่ตึกตึกที่มันสั่นแรงก็พอดีมันมันานานส่วนรู้สึกว่าตึกมันกำลังจะถล่มก็เลยจิตมันก็เลยนิ่งสงบครับอาจารย์คงได้ สงก ไ, ได้สงบได้เลยครับจรย์หลังจากนั้นมันก็เรื่องความเร็บความตายมันเหมือนใจมันโ ล, งโลงง่งโล่งโปรเบาครับอาจารย์ตลอดเวลาก็เลยเลยรู้สึกว่าแต่ความพัดพลาดเรายัางทุกใจมันไม่เหมือนกันครับใช่ก็ยังตัดไม่ได้ใช่ไหมยวังไม่ได้พิจารณ า, า, ราเรื่องงานพัดพลาด ต, ตอนนี้พิจารณาบ่อยๆมีอะไรลากอะไรแล้วบอกต้องจากกันทั้งวันใดวันหนึ่ง ค่ะหนูก็ทบด้วยคำสอนที่พระอาจารย์เทศเรื่องสัพเพธรมมานตาค่ะแต่มันมยังไม่ทานั้นไม่ได้ทุก อ, อย่างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติพิจรารณาซ้เๆมันจะขาดได้สวนหนึ่งใช่ไหมพิจารณาได้พิจราจรณา บ, บ่อยๆวันสองวันก็ขาดได้ถูค่ะหนูทบทวนมาเป็นเดือนแล้วเลยเข้ามาสอบถามพระอาจารย์ให้ถึง ต้องพิจารณาบ่อยเวราเราต้องจากกันนะไม่ว่าอะไรทั้งเส้นทั้งปวงแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกข์กิดจากความอยากของเราไม่อยากให้จากกันนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วว่าเมื่อเราห้ามไม่ได้มันจะจากก็ต้องยอมรับความจริงห <laughs> ยุดความอยากไม่จะไม่ให้จากกันพราหยุดความอยากไม่ให้จากกันได้ความทุกข์ก็จะหายไปก็ได้บ้างแต่ไม่ทุกเหั้งนะพระอาจารย์ก็ทำเรื่อยๆทำบ่อย ๆ, ๆ ทำใหมากขึ้นเดี๋ยมันก็ทําได้ทุกครั้งต่อไปได้ครับอาจารย์ตอบคุณครัอบอารย์โอเคอ่าอ่าต่อไปคุณบาลีคุณาลีนี้สั้นๆกันได้นะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วถ้าอยามีอะไรก็พูดได้ไม่ค่ะถาบหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไม่มีอะไรค่ะก็ยังปฏิบัติาเส้นภาวนาทุกวันในมุชีวิตด้วยสติทุกน้อยแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงทุกเสิยงไม่เที่ยงเป็นทุก ทุกข์กับการพัดพากไหมทําใจได้ค่ะได้นะถ้าเราเสียลูกไปเสียพ่อเสียแม่ไปก็ทําใจได้นะค่ะก็ต้องยอมรับ่ะค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เนี่ยใช่ค่ะไปแล้วเราจะมาเราจะมาทุกข์กอนก็ไม่ไดวเข้ากลับมาอยู่ดีนะค่ะหลวงพ่อยอมรับทุกอย่างค่ะหลวงพ่อว่ามันมันเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะมันมีเกิดแล้วมันก็ต้องดับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะให้ บังคับให้มันอยู่เหมือนอย่างที่เราอยากได้เงี้ยมันมันไม่ได้ไไดค <ำ S 1> ด่ะหลองพอความใจได้อย่างเดียวค่ะหลวพ่อถ<ด>ูกต้องคำตอไปอนะค่ะหลวพอกับขอบพระคุณค่ะโอเคคุณมชีนรักใช่ไหมอม่ชีนอรัก เ, เ จ, จนเดมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ อย่ที่ไหบวชอยุ่บ้แสงธรรมปางเขาเขียวบวชตั้งแต่เดินวิถุนาแต่ก่อนบวชเนี่ยได้ซูมกับพระอาจารย์ว่าจะไปบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกแล้วเมื่อตอนเดินพฤทธศีลได้กลับบ้านแล้วไปฟังธรรมะเอที่พระอาจารย์วันนั้นน่ะพระอาจารย์ได้เทศในเรื่องของอ่ความสงบชั่วข้าแล้วก็ถาวรตอนแรกเนี่ยจะกราบพระอาจารย์แต่อ่กังวลว่าถ้าฉัน พระอาจารย์จะไม่แข็งแรง ก, ก็เลยได้กลับแล้วก็กลับปมาวัดต่อก็ไม่มีแผนยังไม่ยังยังไม่มีกําหนดที่จะศึกเป็นไม่แน่ทุกอย่างมันไม่แน่นะเจ้ขขาค่ะเอสิ่งที่ได้ก็คื อ, อ, อท่างพระอาจารย์โสภาสมโ น, โนเนี่ยท่านก็ได้ใช้อ่ารูปแบบของวัดป่าบ้านป่าทางม่ชีก็เตื่นตีสามแล้วก็ทําวัดแล้วก็ทําข้อวัด แล้วก็ทำภารกิจตามที่กำหนดแล้วก็มีการสวดมองจะเริกสามทุ่มครึง่งวันนี้ไม่ไม่เคยเาทางวัดเลยจะเก็บโทรศัพท์แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยทีอ่อยากจะเข้ามาซูมกับผ้าอาจารย์สิ่งที่ได้เนี่ยพระอาจารย์ในทางธรรมเนี่ยในเรื่องการพัดภาคเนี่ยเจอหลายครั้งเลยค่ะตั้งแต่วันบงผมแม่สามีก็เสีย อ, อยู่ไปหมาก็เสีย พี่ชายก็เสียแล้วก็กคนที่เราดับคิดว่าเราเป็นห่วงก็ก็อยู่ห่างไกลก็เลยทิ้เฉยกับความพัดภาคแล้วก็ในระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีปัญหานในเรื่องสุขภาพแล้วนึกถึงคำของหลวงตามหาบัวว่าตายเป็นตายกัอครั้งหนึ่งก็ใช้วารนานุสติสามวันเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ใช้อริยสัจสีเนี่ยในการ อพิจารณาว่ามีปรีมีปัญหาในเรื่องของโรภภูมิแพ้แล้วในทีิวังน้ําเขียวเนี่ยมันมีเรื่องความชื้นมีอะไรก็ลองแยกดูว่า อ, อปัญหามันเกิดจากอะไรเป็นในที่สุดเลยพูากว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความกลัวของเรากลัวกวอนาคตโกสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวตายก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหามาตลอดตอนนี้เนี่ยในการใช้ชีวิตอยู่ก็คือ เราอยู่วันต่อวันทุกอย่างมันไม่แน่ mm hmm. ว่าเมื่อวานนี้พระอาจารย์โสภายท่กรก็บอกท่านก็สอนว่าอาท่านอยากฉันฉันน้ำน้ำอ้อยแล้วทางเมื่อกี้ก็ตอบว่าบปบายกันแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราตายตอนเที่ยงเราจะได้ฉันก็ให้สติทุกเรื่องนะคะพระอาจารย์ mm hmm. และที่โชคดีก็คือว่าได้เทปธรรมะในชุดของของตา ม, มหาภูว์ ชุดในเรื่องของเตรียมความพร้อมแล้วก็ชุดหลักใจที่หนูได้อ่านจากหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็มีเทปธรรมะของพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตอยู่ในนั้นด้วยหนูก็เลยได้ฟังเสียงของพระอาจารย์สุชาติทุกวันเนี่ยอ่านจากเทปธรรมะก็หนในการที่เป็นแม่ชีเนี่ยในการใช้ชีวิตทางโลกกับทางธรรมเนี่ย มันก็มีบางเรื่องที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าสาคัญที่สุดคือสติเท่านั้นนะคะว่าประทันสติหรือเปล่าเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ได้ระลึกถึงพระอาจารย์ทุกวันทุกครั้งที่มีการไหว้พระจะระลึกถึงพระอาจารย์สุชาติทุกวันเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ระลึกถึงนะคะก็ ขอธรรมะจากพระอาจารย์มีอะไรไม่ตาที่จะอะสอนแม่ชีได้เจ้าค่ะเจ้าขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนวาระสุดท้ายหรือเจ<ะ>้ากากิเลสมันจะตายหมดไปจากใจนะเจะ้าค่ะอืค่ะขอให้พระอาจารย์คาดุถังที่แข็งแรงถ้าแม่ชีมีโอกาสจะเข้ามาสนทนาธรรมแต่วันอาทิตย์นี้ไม่ได้ฟังเลยเพราะว่าเออ่วันวันพระ วันเสาร์วันอาทิตย์จะเป็นวันที่จะต้องลงรวมในการาสวดมนต์วันพภาคนี้ก็จะมีในสัิเสา็จอาทิตย์นี้ก็จะต้องสวดมนต์แล้วก็ภาวนาค่ะก็หมดเวลาที่จะฟังกับคุณหมอวีเนะยเจ้<ด><พ>าค่ะผู้อาจารย์ค่ะขอแนุญเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะกราบลาผู้อาจารย์ค่ะขอให้สุขษเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะ ข้าสาธุค่ะกับผมว่าคุณจ้าข้าโอเคอ่าเมื่อไหที่คุณหลาแล้วคำถามสุดท้ายหลาเชิญกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขณะที่ผมเอาใจพิจารณากายแต่มีเวทนาเกิดขึ้นมาผมควรเปลี่ยนจากการดูกายไปดูเวทนาหรือไม่ครับหรือให้เพ่งดูกายเหมือนเดิมครับ ก็แล้วแต่ว่าตัวไหนมันทำให้เราทุกข์เตัวที่ทำให้เราทุกข์เราก็ต้องไปแก้ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก่อนคำถามต่อไปการทำบุญจาเป็นจะต้องอธิษฐานว่าทำเพื่ออะไรไหมครับการอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นการทำเพื่ออะไรการอธิษฐานเป็นเรื่อความตั้งใจนเวลาจะเราจะทำะไรนี่เราเรามีความตั้งใจอยู่แล้วเราอธิษฐานแล้วฉะนั้นอธิษฐานาวันที่จะไปใส่บาตรเนี่ย เราใส่บาตรนี่แสดงว่าเราได้อธิษฐานเสร็จแล้วว่าอธิษฐานไมว่าความตั้งใจไม่ใช่เป็นความขอสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือทำเพื่ออะไรอธิษฐานไมว่าความตั้งใจอย่างคืนนี้พวกเรามาเข้าห้องสูงมนี่ก็ต้องอธิษฐานก่อนเอเดี๋ยวคนนี้จะเข้าห้องสูงน ะ, ะนั่นคืออธิษฐานเพราะว่าความตั้งใจอพอเราตั้งใจแล้วเราจะได้เราจะได้ไม่ไปไหนไง ถ้าเราเกิดไม่ดตั้งใจเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวไปที่นู่นก็ได้มาที่นี่ก็ได้แต่พอเราตั้งใจในเหมือนกับเราผูกใจแล้วว่าต้องมาที่นี่แล้วไปที่อื่นไม่ได้แลนะที่จะมาได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสัจจะหรือเปล่าตอง น, นี้ตั้งใจแล้วเปลี่ยนใจได้ยังแสดงว่ามัมีสัจจะตั้งใจจะมาในวันดีเพื่อนชวนไปกินเหล้าหรือไปเที่ยวหรือไปทําอะไรก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า น, นี่ไปกับเพื่อนนี่ป่ะนี่ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะ มีควาตั้งใจอยู่แต่พอถึงเวลาเปลี่ยนใจแต่ถ้าไม่เปลี่ยนใจเพื่อมันชวนก็ไม่ไปแสดงว่ามีสัจจะ ก, ก็จะเข้ามาได้คําถามสุดท้ายค่ะการทําบุญควรอุทิศบุญจะเป็นประโยชน์กว่าไม่อุทิศบุญไหมครับามันก็ไม่เสียหายตรงไหนเผอคนตายเขารอรับอยู่เขาจะได้รับบุญไปคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืันี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิติพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความตราญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ